อย่าหงุด a งิต้องการที่ต้องไม่ ท, าทบบาา่าที่จะถ่ายรูปท่านจะต้องพิจารณาอางารโดยไม่ให้พิจารณาดูความเพื่อเย็นดีในรูปที่ใในกนรกของอารเย็ดีว่าเปาวเป็นน้ำเป็นาปนาวท่ไ น, น, นความให้พิจ า, ารณาเห็นตามเป็นปฏิเเปเทวภาสกับตก เช่นตรงีว่าที่เราเคี่ยวอยู่แล้วราคาเราพราจะกักเข้าไปจริงนนหรืเปี่รบริารของอารที่เราเคี่ยวอยู่นั้นออกมาเป็นรูปร่างไม่เแลแต่เวลาที่มันอยู่ในถ้ว่ในจารอยู่ด้น้ำลายไปไหลแต่พอเราเราเข้าไปเคือยวคุกบนั้นมาแล้วแล้วราคาเรามาใส่ใจเ น, นี่ยถ้าเราจะตัดเข้าไปใส่ใจได้ใจมันจะมีความต่อได้ เกความอยากมันเติดพลายาเกิดการนอนเกลี่ลยขึ้นมาเราก็ต้องอาใช้ใช้ผ้ามีทุกหยในใจึงไม่ต้องไร เ, เป็นแบบทุกยาเวลาที่เาราตัดห า, าแล้วในใาแล้วมันทุ ก, ทท ก, ทกมันถึกเที่ยวถุกโบกสะสมความวุ่นายแล้วทุกยกแล้วเานรเมื่อมันเข้าไปอยู่ในท้งมันจะเ่าหาทุกนิดที่เรารับประทาน มันก็นกรปรไปอย่งแต่กอนที่จะปนมะกก น, มนีเราแยกจากนขาวหวานบาแย่กตงโผลไม้บางแยแล้วเป็นส่วนๆถ้าอะไรมาถ้าผลไม้เป็นผลไแกอย่างก็ไม่ตีละเพะมันเพราะมันไม่เป็นของมาแล้วเปข่ข้าวการที่จะมาแบบนี้ที่จะ ท, จะทาให้ มีความรู้สึกันเก็บเงนขยะขยะเยินมาเพื่อที่จะมาทำายความหลงในในรูปในสีสันของอาหารถ้าไทุ่มเวาแล้วเราจะเราจะติดกับรสชาติชนิดขออาหารเ ร, า, ราต้องกินอาหารแบบ น, นั้นต้องกรแแต่ถ้าเป็นข้ามในเมลาหลุดแล้วหมอ น, นมเลือก่ได้ อาหารนี้จะ้แลแต่ยาเยกเยถยถ้าเราจะอยู่ที่กันดาที่ความยากจนอาารีอินโดยไรูว่าที่เราตนค่อยจัระทานเราก็ต้องสืบให้ได้การสึบัดของก็อย่างตอนที่บวชมาก็คิอว่าอาหารทที่เราจะทา มันจะต้องไปดูมนันอยู่ใองแล้วกให้มันดูการอย่ในบาทได้เลยก็ได้ครืออาหารที่ได้มาในบาทเราก็เอามาคุกมามาขย่อมมามาคนให้มันเป็นอาหารจางเดียวกันของเค้ของหวานผลไม้ผลไ ม, ามา้องหิบไข่ทองจานคีหวานจานจีบอร่ยรยอยให้ใส่ในข้าวแล้วก็คุกไปเหมือนจะคุกให้ก็ให้ใหวากิี เวลาเราเลี้ยี้หมาเราก็ทำง่ายทำง่ายเราก็อาปลาแล้วก็รับประทานไปแล้วชาเรากาไม่มันก็ดีเพราะมันมันดีแล้วเดี่ยวมีเที่ยวมะเคี่วหวานมันมันกเพื่อให้เราหมดตัถ้าถ้บปานอย่างนี้นลมันจะิตใจมันจะไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่จะได้มา เราจะนัเล่าถ้าเราอยู่ในที่ไหนนั่งอยู่ปายถาแถวหรืออาหาที่เราทอดอยู่แถวพอมาถึงปลายแถามีแ <c oughs> ต่ทานมีแจ่จานเราก็จ ะ, มมจ ะ, จะจเจะจ่ิดความเสียใจจ่ายควาพลอดพลาดัวนหนบ้าแต่ถ้าเราอยาาไปมองสิ่งที่มันมาไม่ถึงเรา อ, อย่มองหรือสัดคล็อของที่มันมาตั้งอยู่ที่ขางหน้าเราเวลาจะสบายใจมีื่อ็ที่เป็นวิธีที่จะ เือให้การทาอาหาไม่ไม่มีปหาไม่สรางปัญหาให้กับเราการทานมีบานี่ต้องค่็นการิการนกสนาะดกันคือพิเศแบบสบาสบายก็คือเวลาได้หาอะไรามาต้อจะอาจจะแยกแล้เป็นคนๆข้าไว้ด้านหนึ่งกัข้าวไว้ด้านหนึ่งมัไ ว, วด้าหนึ่ ง, งเป็นของหวานที่มันเป็นน้ำก็อาจจะ ถ้ามีถ so, ้วยในทาก็คือไม่ยากแต่ใส่กางไว้ที่สาวบาทถุงะม้ก็ใส่ไว้ที่สาวบาทก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าชั้นแบบสบายๆว่าชั้นแบบติดกระดาบหนึ่งขึ้นมาก็คือเครื่องเยื่อหุ้มก็คือว่าอาหารที่ใส่ไปในแบบเพื่อไม่าตายกไะใส่ะส่กลางก็ได้ข้าวใสก็ใส่กระดสษใส่ก็ใส่ถุงละไม้ก็ใส่ถุงละไม้ส่องหวานก็ใส่ก็ใสไม่ต้องไปจัดนาะ นนมันเดีอดเย็นหายก็ได้แล้วระดับที่2นี่เป็นแบบคนรว้านที่คนมี้ขายเป็นแบบเราจะใส่ในระยหระยะอะไรงี้ยเพื่อเป็นการทำยา เ, า เ, าเาย่เพราะว่าถ้ามันใหเรามันจะมีปัญหาเ่อกรังถังไม่ลบ้าอยากถไม่ได้ถังใเส็จทีกปัญหาก็จะทำให้เกิด อ, อาการท้อแท เรีนาขึ้นมาในเพของของนักบแต่ถ้าเาเามโดยการเกิดกเห็นแต่ว่าอาหารจะดีขนานไหวจะเรขดนมันก็เป็นหลักานมอันมันก็ทํหน้าที่หมอนันพอมันมีักประธานได้แล้วมันไม่ทให้เราเกิดไข้ได้เกัประธานก็ได้แล้วมันนั่งแบบความเได้อันนี้ก็เห็ว่าได้ ันเไ็่ได้อยู่ไ ม, ยไม่ได้การมให้กินเพียงไม่ได้ไม่ได้หา ค, า ค, าาคาหาวามสุขจากการทานประนวระาน่เหมือนาว่าทอยาเดยวนะวัตรประทานีจะที่จะเป็นทานเส็จอแล้วก็ถาแล้วก็เป็นนแบบแบบไม่ยับไม่นะแต่ว่าเาจิงเมาคีดว่าเรื่องมากต้องหาที่จริงต้องขับรถไปไกเพื่อไปหาร่างหนาที่ติดปากติดคอ เสียเวลาเราต่างกันแต่เพ <palace> ื่อการน้ำมันท่างจับน้ำตาลเองคนจะปฏิบัติน้ำตารกับน้ำเงินน้ำเงินนี้มันจับตั้งไหนก็เป็นน้ำตาลน้ตาลดาวน้ำตาลตาเสียตั้ตาอะไรก็มันก็เป็นน้ามันเหมือนกันมันก็มาแด่ลงต่ังกันเดียวกันอาหารที่เรารับประทานมันก็มาจากตลาดที่เดียวกันแต่ตอมันรบประานนต่างๆแล้วมันวิธีจัดการของเขาต่างกัน วิธีผสมปะตายวิธีเติต่างๆเขาไม่ต่างกันก็้ามีสีต่ามีรมีชาต่างกงแต่เรื่องการทำหน้าที่ดูแลรักษาร่างกายใหู้่ได้ให้มีให้มีพลังให้มีเชื้อเพลิงก็เหมือนกันที่นี่มีมีเรื่องัก็กิดมีวัตที่สรางล้างมีวัตถุของาายที่างนี้ก็ยื่นไปตามมาวันวันที่ัน ต้าพิจารณาเรื่องกาเรเปฏิปเทมขออาหารทุกคังนี่พิจารณาแบบไม่ยักยัง้งพิจารณาตลอดเดวลาเพื่อต้องต่อความเดอดร้อนองอาหารกินอาห า, า, หาไม่ลงมองเห็นอาหาถึงแล้วจะอยู่ใาใจแต่มันก็เป็นผลิัณเหมือนอยู่ในกรกะเพาะแลยไมไดาา่ดูไม่ได้อหาดูไม่ได้รานไม่ลงควรท่านใจต้ขของผูกค ก็เลยไปไปรึกษาแบบวิการณเร่องสภาพารเรื่อการเรยนเกี่ยวกับอาหาทั้งประเทศกาให้เห็นว่าอาหารที่ร้านาถาเรื่ก็เป็นธาตุสีดีมากโดยไฟมาจากดวงน้องโดยไฟร่างกา้ก็มาจากดวงน้องโดยไฟก็มาจากอาหารผู้ที่พิจารณาและดเกี่ยวัอาหารนี้ทุณที่พพิจารณานี่ขุกใจใจเป็นเพียงใจเปนผู้ จากการอาหารเข้ในร่างกายทันเอเหมือนกับเราจ่าน้มันตอนขับรถไม่ได้กินน้ำมันตอนขับรถก็เพียงแต่ขับไปแล้วก็ไปรับน้ำมันจะส่ถังเดือนน้ำมันจะเป็นมีห่อไหลแล้ก็เป็นน้ามันเหมือนกันอาหารก็เหมือนกันร่างกายก็เป็นธาตุสิบในร่างกาอาหารจะเป็นธาสิบนากามันก็เป็นการจ่ายาทนันเองมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับใจเลย กาเป็นเพแต่เป็นผู้จัดการดูแลร่างกายงนี่ก็เป็นวิธีแก้ถ้าเราพิจารณาโดยเถิกันส่วนทางพิจารณาทางด้านกายานี้ก็เป็นเหมือนกับการวับครมทานาเพื่อรักษาโรคผังติดใจโรคใจก็คือการโลกความโกรทใจเนี่แย้งในรสชาติอาหารนี่ก็เป็นการเป็นภาวโลคก็ต้องเอาปฏิปูณพิจารณาเดยทายไม่เหมือน ของอาหารคว่าเก็บข อ, อาหารห น, นี้ยาย า, ายยที่จะได้ไปไ ด, ด้ความความความดีๆอหรนี้ติจะได้เมื่อรับสถานน้าตก็เกิดขึ้นพอจะรับอยู่คราว้ก็จะได้หยุดได้นี่คือการการการปฏิบัติถ้าเราให้ยาหากไปเลยก็โดยเกิัก็กที่จะเกิด้นกดกด น, นก็เป็นแล ยานี้ก็มีว่าเพื่อแก้ปัญหาปัญหาก็เจอความดีๆในรูปในรสในกลิ่นในกลการของอาหารก็จะต้ อ, อาหารที่เรารับกประทานเลต้องเป็นชนิดนั้นชนิดนี้แต่ควาจริงว่ามันก็มีรสอยู่กล้่นชนิดต่างๆไว่าจะเป็นอาหารที่เปรี้ยวหวานมันขมเปรี้ยวจะเป็นอาหารฝลล่งอาหารจีนอาหารไทยอาหารจีนก็เปรี้ยวหวานมันขม การวาถงงานที่เดียวกันก็คือให้พลังกับร่างากายถ้าเราพิจารณามากเนไปกั้นกินยาเพิ่มพลังจะเกิดสือมาการแท้าิงได้ใช้า ย, ยากุกตุ้งเท่าม่เดนพิจารณาจะดีมากเกินแต่ยากิน ไ, ไม่ต้องหยุดพิจารณาถ้าสุท่า น, นเรต้องหยุดต้องอย้อ ก, กับมาพิจารณาว่าเป็นการเปเป็นดินยาดีไปให้กับ่างกัย เพื่อมาพิจารณาความเสียงงานของเราเพื่อมาก้ในหนึีก็างทีบมันเลยถอยกลัก็ต้องมอกลับมาจไปเองต่อมาที่เราติดในรูปในในสี่งจักรในงานก็ย้กับมาเพื่อที่จะาถายเอกสารสัญญาที่มันเลยติในใจง่ายการการการปฏิบัติก็ต้องบางทีก็ต้องไี่บานในการเพื่อที่ท่านมีประสบการ เพราะบางทีเราไปเจอปัญหาแล้วเราแก้มไม่ได้เพราะเราเราทำทานเถิดของเราเรียกว่าไม่มักพินารณเนไม่ไม่ยูทางสายตาถ้าไม่พิจนารณานเลยจะย่อนไปไปพอห็นอาหารทอก็น้ำลายหลยอยทีเดียันนี้ก็หย่อไปแต่ถ้าพิจนารณาเหนปฏิปุนในที่จริงให้เลมันก็มันก็เพิ่มขึไปเพอาให้เขาดือ ไห้มันเห็นอาหารล้วกะคุกแต่ว่าเราจะใส่น้ำม่นให้กับนาำก า, รการตรงอ้หารจะเป็นชนิดไหนก็ได้ถ้าติดต่อไปนั้น เ, นงเองเจะแก้ปัญหารเรื่องเงหารได้เมื่อแก้าต่อไปเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องไปกวลกับเรื่อาหาต่อไปเตอนเริ่มต้นนี้อาจจะต้องคุกอาหารดีก่อเพื่อที่จะได้กจัดสารอยากอาหารชนิดนั้นชนินี้ บางทีากกินก๋วยเตี๋ยวบงทอยากกินพ่าทีนี้มันทั้งกเตี๋ยและพิซซ่าก็ปล่อยลงเข้าไปในลำไเดียวกันต่อการนี้ก็ไม่มีพิซซ่ามันไม่มียเตี๋ยวมันจะมีแต่อาหารี่อยู่ในทุกครั้งกินก๋วยกินไม่กี่ครั้งมันก็จะมีอาหารตัวนี้ตลอดแต่ถ้ามันได้ไปนึกถึงอาหารนี้มันทีนี้ต่อจากนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปไปคุกหลังกแล้วก็ แล้ก็อยู่ที่เส้นใยกระหวาอะไรมาก็ยังก็กินแต่เนื้อสัตว์กระปิดกระปิดของเรามันไม่เป็นพัญหากับความเจ็บของเรานีก็กินไม่นีก็ไม่เคยเปเปฟังปู่แม่เรื่องของอาหารนี่มันก็มีหลายวิธีถ้าเราเรามากับควบคนระยมันควาเยือยในที่เ้าก็ยังปูชีวิตอาหารที่ไม่ีด ทนี้ร่องดที่าต่างๆต้องกาหารให้หอาหารรักาวันนี้มันไม่คุกเขาอะหารเลยขาไหเพราะมันคึกกันก็ไม่ไปกินแล้วออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆออกไปไม่ได้ได้ออกทุกวันนะบางทีออกแค่สามวันว่้าห้าวันบ้างบาทีก็ตลาดกลางวันเช้วันทีมีขันตรงนี้ไม่ขันทำมารูตัวก่อนขอต เราทำตัวแต่ก็ไม่้ม่เสียเฉียก็ได้ไม่มีก้มีคามไม่ดีมไม่ดีควม่ได้ที่ถึงนี้จะดีป่ะคือเราอดาหากับเยไม่ตายแล้วก็พาะมันไม่เสียแต่หลังคือเลยมันจะร้องคือหลังลกเพาะมันไม่เสียมันไจะรวกเพาะเลยถ้ามันมีขอามีเถืก็ไม่เป็นอย่าของน้องาที่แคล้วทีเฉีย แล้วกอทีโอนาลท่านอาจจะโอทผิดว we ันผิดาแล้วก็ในฐานแค่ครั้งเดียวแลาขัต่ออางโดท่าัวให้ท่านบว่าฐนอะไรเข้าไปการเช้าเดือดรตอนปานใบบาทก็าดหอน่ีแต่ท่าอเสียน้าต่แม้ทาผิดไต้องกที่เรคุ้มครา่ไปในทุการเวลาทําอะไรก็ขอให้เรา ม่งไปที Arrow, ragt, ่ใจก็นหกเสียารให้เป็นลายทาเป็นใจน่เสียดจัดการน่าพเป็นสลักของใจในการมีความสัจจ์ความโลภความหลความอยากต่างๆอย่านี้เสียประโยก็ต้องไานสกวันก็ต้องไปแต่ใจมันไมเสียม่ไม่ไม่กเป่ลายตายแ้เมื่อใจยังได้ว่าการกดเคี่องกดป้อให้เป็นสาภาพมันก็ยังจะเป็นภาดอ ตายไะชาติที่ไปเกิดข้างหน้ากดยัเป็นธาติต่อัคเป็นชาติต่แต่ถ้าเรายอสล ะ, าาะละาร่างกายนี้ ม, นนามาเป็นินมองนนมาเป็นเป็นเส้นชุนย่างห้ร่างานี้แบบปฏิจสธันะเป็นจตานาอย่างไรจะลำบากอยาไก็ให้มีกดูเรียนตเพื่อให้ได้ำคำลาวความโลกความโกรธความหวรนที่อยู่ในจิตองาวนี้เราจะได้เปนโยปนการโยมที่เป็นาต ก็คันนี้ความจริงมีไว้ ก, ก็เพื่อมาทาทาประโยชน์นี่ฮะผมนี่แต่เรามีรถยนต์ก็เรียกว่าฟวีวเพื่อจะมไปบวชในป่านใน้เขาแต่งาแล้วกลับขับกันในบ้านในเมืองวันนี้จะซื้อรถโฟวีวมขับในบ้านในเมืองหอะไรน้ำมันก็เปลวไม่ได้ปืนของปิ้งเขาขนมก็ไม่ถูก ข, ขับขึนมันจะองไปดูันเขาดูขึ้นไปขึ้นไปไม่มีขนมอย่างนี้แ้วเขามีไมีมมนนว่าอย่าง น่างกายของเราก็แบบว่าทำนองน่างกายของเราเป็นโปรีนอะไรนี่สำหรับมันมีแบบกิโลเนื้อเยื่อแบบทำโรกความปวดความหลงแต่เรากลับไปใช้รับใช้มันที่ไปรับใา้ทาโรกความปวดความหลงแล้วเรามันจะได้ไวเทียมแต่มาแต่แรกถ้าไม่ได้อะก็ยังตกเปาวบาตเป็นคนรับทพนบางตือก็ต้องอาใจาที่เราได้มาเจอขพิจาราหลาย้วรยนรู้ หน้าท so it ี age. Age ่ที the the ่2คือคำว่าการิหารงทีคิราว่ามีวัตถุะสงคอว่าถะงมาตอเพื่อความเป็นเตกภาพให้กับกิจการนันเิการขเที่ตอนนี้เอ่านภาพมันอยู่ภายใต้หน้าของความรความกุ่นภาทุกขณะที่เราหายใจนี่ทำภายใต้หน้าของความเหลือาในวิจารณารวิชาปฏิยาสังขาร ในในะรมอุปถันตัสังให้สงขาคิดวคิดมนจะคิดอะไรกคิดเรื่องเนียรราบนี้อสวแสงสุขของเนยนนี้จะไปเที่ยวไหนดีวันนี้จะไปหาเงินที่ไหนดีมันจะคิดว่าวันนี้จะไปหาธรรมะจะปฏิบัติธรรมะกันถ้าจะไม่มีเลี้ยพวกเราอาจจะมีบ้านเพราะว่าพวกเราบ้าราสงสารนะแม่เรากลัวธรรมะสงสารสงสารมันจะได้ทีนี้นั่มคิดไปในทางวิชาปฏิยาสงขารทิชาก็คือธระปิยาสงสาร อาศัยคำสามของบุคคลาจานที่เราไม่ยินไย้สารนันตัวคอยกระตุ้นใจเราให้คิดอไรในทางเดินทางอย่างวันนี้เราก็คิดว่าเราพยายามทำเอกันถ้าเป็นคนอื่นถ้าไม่เคยสัมผัสกับปาญนาในโลกนี้ยังหยุดแ้่เราทำยึดเพื่อทำเพาะิดวันเียวเราจะเที่ยวหลายวิวจะไป้ื่มให้หลายวิวการเรียนจะมีหนังที่น่้นมาหนี้ก็เรื่องของวิชาปฏิยาสังขาวอย่างนี เ่ัมันปล่้มันก็จะออกไปไปไปหาไปอ่งแล้วก็มันก็จะพาไปสิตการที่มำแล้วดูวก็เป็นภาวะมนเป็นทุกข์เป็นธาตุเองพอแต่วลาร่างกายมีอาการตัวปิดมันยังไม่หยุดอวิชชากรอย่างอนายมันก็ส่งให้ตัวให้ไปเกิดแต่ถ้าเราปฏิบัติใช้ธรรมะปฏิญญาอันศาลาแล้วอไปมันก็จะไดบอกทาหามันจะไปบอกอุปทาน ยังม่จะกระภาวะถพกาก็จะไม่มีการไปไหนอลไคนที่ปฏิบัติธรรมจิตใจใความสุดร้าก็ไม่ต้องหาไปเชื่ออะไรแล้วอยู่บ้านีกว่าก็มีใครอยู่อยู่วัดก็มีวัดไม่ได้ออกไปทะเละนะางสุดใจนะนองจากมีคณะทาเป็นเช่นไปเผย่ธรรมะไปทำไปสองคนก็เป็นจะออกไปแต่จะออกไปนระยเวลาไม่ได้ออกเวลาที่อยู่บ้านดีกว่า ระวับบงแต่ว่าเขาเคลียร์าเรื่องทำาล้วจะขยายไปไยอยู่บ้านแล้วมันอีกอัดมันหงงเดบางท่านที่ได้เรียกสบายเท่าออกไปอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ต้องแต่งไม้อแต่งตัวให้หนี่ยห้องน้ห้องท้าวพักสะดวกไม่ต้องไปเท่าแถวไปย่างกันอาหารก็มีเก็บในตู้นยู่ในตู้ทำกินในบ้า น, นสบายแต่ถ้า อ, ออกไปไมีนัญนหาหาความสุขกาล้อบ้านกันก็อยู่ในบ้าน ไ, ได้ ใจเ า, าจะเห็นเรืองแปลกๆใหม่ๆจะได้ไม่ได้ยินเสียงแปลกๆหมอยู HTML, itation, ่เรื่อเพราะว่ามันอยู่ภาระต้อากของความโลกความเกิดความนิจจแล้วถ้เป็นอวิชชาปฏิวัานก็ออกจักาฐานแล้วก็ออกไปภารยชณะในทางตาริปน์เอกสืยเสื่ยืเสนืดหยุกัตะสูการของทั้งองสิ่งนี้แล้วจะไปต่อได้ขนาหน พอได้ออกจากบ้านแล้วเป็นีังฮั p ตี้ให้คุณพาสิได้ไปช้อปปี้ยด้ไปดูอย่างไันไปกินได้ไปเที่ยวแล้วก็จอดอุตส่าหทายทิ้งนต้องออกไปเรื่อยๆออกกรณีแบบว่าที่นี้ก็ต้องออกไปอีกก็เป็นภาวะภาวะที่จะต้องทำหนแต่าวะทิ่นี้ก็เที่ยวที่งานเดียวภาวะขึ้นงานเาไปเที่ยวที่อื่นต่อก็ใจนี้ไปเรื่อยๆเป็นกางหน้าแขกเดต้องไปด้วยหวัง เมื่อพอตายไปแล้วมัก็ไปมันก็ไเกิดมันก็เปทำเรื่องน่นี้เป็นมรรคต่างๆอย่างนี้แต่ถ้าเราใช้ธรรมะมาเป็นตัวขัดเที่อวฝันข้าเราธรรมะปฏตยาอวิชชาธรรมปฏตยาสังขารมันก็จะสอนให้เหาที่สงบตนั้นแต่ที่นี้แต่ที่นีมีเรื่องเสียงเร่อันะครับที่จะทําให้เกิดเกิดปัญหาเกิดาัาขึ้น ไม่ไปไปอยู่วัดปอยู่ปกาอยเขาเองไม่ไปไม่ไปดูหนังคอเทนต์ไม่ไปไว้าวเกียรติบุม่ไปทำเทิดธรรมะแห่งปุตตะการให้ไปทำให้ไปนั่งทำจิตให้สงบคือคือธรรมะปัจจยต้องพาต้องพาไปอยู่การอยู่เรื่อยอยู่ป่ากางเขาอ่ที่นั่นที่มีศาลาที่สงดขึะนมันคอนเทนตยามตะวันทิพย์ยามนิทรา เพื่อบรรปัญหาความอยากเพื่อบรรลุอสระทางความ่ถึงน้อยเพื่อบรรลุภาวะคงทาที่จะตายออกไปนี้่อจะทำนปฏิวัติาหนาถ้าเราจะทกหรือเลื่อนถ้าจะทำนักหรือเล่อนเราจะทำนักจะมีแรงมากกว่าอวิชฌาเพื่อจะทาลายวิชาให้หมดไปกตัณวิาหมดไปนก็กลายเป็นจิตที่โง่ร ที่ท่านนี้เราเป็นคำท่านยื่นเป็นคำานเค่อจเป็นคำเลื่อนไม่มีเกี่ยวอะไรอีกเลยคิดอะไรก็จะคิดแต่เรื่องเรื่องของธรนมะที่เรื่องของเหตุเรื่องของผลไ่มีที่ติเยียวยาใจมีสมบัติข้อของธรรมไม่ไีที่ติเยยากจเป็นใส่ชอบน่าชอบถึงใจเป็นสังฆราชนี้อใจเป็นอะไรทั้งสิ้นมันจะไม่มีเลยที่ไไ้ไม่ได้ที่จะอยากจะิเตี่นดู ดีน้อยความเพลินความ่อย่างนี้หาความคาบก็ต่ารๆมันจะไม่มีที่มีความเจ็อะไรแบบนีเพราะในใจนั้นยังมีแต่ความงบีความจบแล้วถ้าไม่มีคําลือกความกอความหลมันจะไม่มีตัวที่มก้าความคาตคาาเพราะไม่มีคําอยางมีจะเพลินอยู่ที่บ้านทำมอยู่ที่รักทไมไประยนี่คือ เรื่องของกา ร, ชากรกา ET ใช้ธรรมะมากดเครื่องใช้รางกายของรให้เป็นเกลอเ่ใช้ร่างกายเป็นเครืของเกลืด้วยการขับรหาแถวซ่ที่นี่ที่นี่อาหารที่นี่ไม่ดีหารทนีไม่ดีเลกบางคนอุานั่ดืนเป็นอาหาที่้องตรงยากนิดเดียวในชาเนี่ยนะคับเพื่องไปเพราะอวิชาห์ปฏิวังิขาแลขาไป ถ้าเป็นธรรมะประัญาฐานฐาอะไรอยู่ที่บ้านก็ใส่เกียวจริจริงเสร็จเนาสมาธิสสแบบ่ากสนุงินปฏิบธรรมถ้ามาทำอยู่จรอยู่ในบ้านไม่เดไปัแต่ไม่ได้ทำเก็ออกไปร่งางร่างฐนงม่ากแบบกินเกยวทานกิข้าวัดทายก็อยู่ยนเ น, นี้ก็ทาได้ถ้าแต่เ้าตื่นมาก็เล่งสมาธิ กับสมาิก็วมาเดินกลมยองกลมก็มีพยายามมีส ต, ติอยู่กับตัปวปัจจุบนเวไม่ว่าจะทาอะไรให้สติอยู่ปัจจุบันให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของการของร่างกายยังใจจะทของน้งก็อยู่ที่ห้องารฟันดอยู่ที่นั่นจะทำอะไรก็อยู่ตรงน้นะครับ เงินเป็นคนคนบาีกติดงาาการเกิดแก่เหตุการณ์เป็นธรรมดาคล้วเกิดมาว่าต้องเกิต้องเกิดต้งเกิดเนเรื่องธรรมดาที่แสดงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีความยติจบกับควารแกิดารเกิดความเกิดเามีนเห็นว่าเป็นคนธรรมดาเห็นแตเราไม่ยุติจบกับการขึ้นขึ้นขึ้นการขึ้นของข้าพิมพการเกิดของข้าพิมพพาเรารื่องเปนเรื่องธรรมดา การรไม่ไดปดีอกดีใจเวลาท่าที o, ่ขึ o, ้นมากางกางแล้วก็ไม่ได้ปดอกี่ใจเวาที่มันตกกลางกามันก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นที่ใจรำดีร่งกายก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นในใจรำดีต่างกันตรงที่ว่าใจจะยึดติดย่างใจว่าเป็นตัวรำแข็งแรงให้การหลงหลอกให้จิคินอื่ถ้าเราแก้ตรงนี้ได้แล้วร่างกายมันก็จะเป็นเหมือนผ้าทด่นห่งถ้าทิขึ้นท่าที่ตกใจมันก็เลียใจย่างใจ จะเป็นจะตายใจนี้ก็เฉยเฉเหมืกันยยังไม่ได้ไปยึดถือพราเป็นตัวเราเองของเราี่ค่ที่เราต้องพยายามฝึกสอนตัวเราเองฝึอนัวเองมันละลายนิสัยที่ตัวเเป็นเหมือนเป็นยย้างุ่มใสเป็นการสูดแรงของลึญล้างลุมใเป็นกาวตัวกันเข้ามาแล้วจะเป็นการแยกออกจาไม่มีที่ไม่มีอะไรที่มันจะรวมตัวกันแล้วอยู่กันได้ตลอด แล้วก็ตังกงศาลาหลังนี้ก็เชื่อเดียวกันมันระเบียตัวกันเชือมกนก็ท้กวันวันก็จะเปียนลงไปมันก็จะปลี่ยมัน่ยากาหลังนี้จะทำแบบถ้าไม่ถ้าไม่ไปยึดไปติดมันก็ไม่ได้เสียอกเสียใจีแต่ถ้าไปยึดไปติดมันนี่ก็จะเสียอกเสียใจเนี่ยพูดถึงศาลาก็มีร่อยึดติงไม่ไปศาลาหลังนี้สร้างเมื่อปีประมา ที่จะขอกันท่า120ที่ยั ง, ง, งยมีท่าอาจารย์จากภาคกางบางเชยท่านราเป็ น, นปยนมากว่าถึงเียรท่านอาจารยกว่าเมงนี้เป็นที่เป็นสถานที่แรกๆท่านจะเลยปากกันาเที่อจะขึ้นมาทาที่ปฏิบัติเมื่ออนนี้ว่าเป็นเด็กแล้วอดีมีาเพียนที่เขามีบ้านอยู่ตอนนี้มันมีมาเปนตัวนี้เปืนท่ร ก็เลยยอมยอดเยี่แบบพวกไม้ต่างๆนี่เช่นกันขนาดวไม่มีถนนเช่นกันวาเป็นทางเดินทางต่อก็ต้องแบ่งร้านมาเป่นหายจังหวัดเรื how, the the there, so olo, so the ่อยๆเพื่อมาสร้างศาอย่างนี้แสร้างเสรไม่ได้ไม่ถึเดือก็เป็นเด็กผู้สารพลาต์กจะรับส่เห็ดในหลวอย่างศาลางนี้พัฒนาทนที่พวกคุณพัฒนาที่ก็ติดตามมาเขาจะเห็นว่าเนือาลาหรืออะไรน่หละเ็นพัเลย เพื่ออะไาจะข อ, อะ ร, ข ร, ะ ร, รื้แล้วส้าง่ะ <c oughs> นีน่กว่าจะบ้านที่ต้องมาช่วยสร้างเสร็จก็เลยเาเรื่องแไม่ใส่บาตรคเพระป็นเด็กาก็ไม่ต้องรไม่ตอนน้ตองรี้เพย่รมาจ mm hmm. ะปจั น, นี้ก็มีมหลวมสดงอะรสเดกจะนรพลขึนามาแล้วหลวาขึ้นมาอะไรก็น เป็นเตาราที่ทำเงิคนอย่มากต้องปกครองทางของการทางโลกางธรรมตารางมาก็เลยมาขามามีคนจะมาขอให้้างหลายตงหลายแผงหลาย้างเยวะาเดี๋ยวน็มีข้าวกินจะตอนหลังตารางเขาบอกวดเป็นอาหลักาจะเี้ก็เี้งได้หรอทำเม่อวานเลยนแต่ตอนนั้นมีเสียดาวิดหนึ่งาเขาจะแดกมากปนเช่นน วันดัด่างดื่้าวรั้งว่าไม่เขียนไม่จิดเองก็จะจะไปเรื่องของคราบครัข้าวนีก็เป็นเป็นเรื่องของการาพอนใครไปยึดติตเลีตัวนี้จะเป็นปัญหาตึ้งเราไม่แต่ถ้าถ้าไม่ยึดจิตอ่ะอาจารย์ไม่จเการสร้างใหม่ก็ดีแค่เพ่มการการจิตนะก็เขาจะสร้างของชาววานให้เราดีควาถ้าน่าจะดีใจถ้าเป็นวัดต่วนี้เขาจะดีกจละ เราเรียกระตอบหรอว่าก้างเป็นเป็นต็ดเขายู่เนียแล้ว็จะรอดีใจเลยนะทีนี้ชาว่านก็ยึติดกับทางนี้ต็ดที่เขาลำบากลนเดินจะเกิ่ยวะกายมาสร้างกันแล้วตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยตนี้เป็นปาตรงนี้ก็มาขางป่ากะไรแล้วคืนร่าก็ข้าราทการก็ปรับก็ดีเปนเยอะกว่าก็มามาเปิดทางก่อนไม่ต้องจะเล่าว่าคืนร่ามก่อนท่านนั่งสมาธิก็จะดี ตายร่างใหญ่ๆบางๆโผล่ขึ้นมาหรือแม้กระบอกงานจะไล่ท่านไปท่านกบอกว่าท่านไม่ได้มานัดไล่ไปถึงกาท่านไม่ได้มามีเรื่องของคากสมท่านมาลงโทกันแล้วกันนะางส่วนบางฝ่าก็ไม่เขาก็มาพูดอะไรท่านก็เดินอยู่ตรงแล้วเจ้พี่สามก็กอกเขาก็มาแต่ที่ท่านมาแบบที่อาจารย์ที่อนึ่งหน้าติส เขาบอกว่าถ้าต้องมาแบบนี้ต้มาได้แล้เขาก็วล้เขาก็เขาจะถกเถียงแล้ถ้าถ้ามีเขาก็ซึ่งกันอยู่กันแต่ก็แฝงอย่างดีอย่างคนมันอยู่แล้วก็อยู่เลยว่าอยู่แล้วบอกเจออะไรนะครับอยู่เจอในออฟฟิศเลยท่างนล้วเมื่อเมื่อวันที่ไหนก็มีภ่ทาราบาลเปิดอยู่ก็อยู่อยู่ได้เจอก็เจอเหมือนกัน แต่ถ้ามาปิดใจกทอย่างก็หลบตอนเวลาทครไม่ลนน้ า, าใ้ไปขอไม่ยากเลยเพาเป็นเจติพี่ตาทาเขาไม่ทำอรเลยเก็จะขอยคอยเดียวเราอยู่เย็นแต่ตองตกเย็นก็ไม่กล้าอยู่ง <c oughs> ถ้าใครึ้นม า, นานแล้วตั้งใจปฏิบัติว่ไม่น่าเป็นอันเวลาถ้าถานแล้วติดใจก็่ลบ ติดใจชิดมากเลยจะอาจจถ้าอยากจะเป็นอุปทานก็ได้นะอันนี้เราไม่มยืนยันเท่าไหรนะ่เช่นเป็นเพชรเป็นหยาดเป็นหยาดเป็นมิ้วก็จะเป็นเศษเล่าให้ฟังคนที่ได้ยินได้ฟังมนาะแต่จำเราไม่เคยมีเราเราก็แบบเหมือคนหิวกล้าบ่อกอยู่อยู่บานยีสิบปีแล้วก็ไม่เคยเห็นอะไรไม่เคยมีทางามาทักมากนนะมาเพื่อมาทระด้างอะไรเนระื่องอะไ หรืออา จ, จะาาาเป็นเพว่าเราไม่เคยทำใวันเดือนเนก็เฉยๆนานที่บจะไม่ทำว อ, อนเครม่เกี่ยวเลยไม่ได้คาอะไรเลยมาอยู่คนต้องเลี้ยงไปจากนั้นก็แตกนพอมีทางเป็นอยากจะได้อะไรเงินก็มาคือ้างหน้ า, า, ท, าที่มานี้ยจะไม่มีทางเดินที่เป็นเป็นเสจะเป็นทางเปนเปน แต่ที่เวลาหน้าฝนีดินนไมมาเนีวแ่วลาฝนตกมนจมันห้าไม่เหยียดมันจะติดกัาติดกเกับม้ก็เลยการรบอย่างนี้าะเเยกนหักเลยนี่แหละต้นตูดเแล้วไม่นานก็มีคนมาตีถามาท่านตำลังทาอะไรตรนี้ตอนตอน้าก็อยากจะรับสติพาใช้นสติพออยม่นอะไรน่สติมันพอเพียงแต่สิ่งที่มันขาดคือางเรีมา มากมากเกิดเปนบากก็ม <i> ังจะกลายเป็นน้ำหน้าเป็นทาง้ำเป็นน้ำมันไทยคือาฝนตกมีเแสดงลำบากแล้วว่าบาีภาคเดยน้างลงจากเช้ามืดเดินลำบากมากก็เลยอยากจะอยากจะทำทางเดินคุณเป็นทางคเสงแล้วก็เลยว่าทัานจะที่เป็นอะไมแล้วท่าหลัแล้วัป แล้ลาบอกเราทำงานดีท่างทานันก็คิดดมาห้า้วก็หายไปเลยมาคนเดียวแล้วก็หายไไม่จจิตไทถ้ารู้จักมันแต่แต่ท่านบอกว่าดีท่านนั่งท่ามาบวดอ่าั้อยู่ท่อลว่วนี่เป็นเดียร์ที่เขาขอบคุณท่าใช่ไหครับเรื่องอย่างพวกไทยนาจเหมือนกันแต่เาที่ก่อ้างจะติดนี้คนที่ส้า ก็มไม่รู้ว่าทางเป็นไปอยู่ที่ทางานก็จะสร้างปฏิเสแล้วก็จะมีทางานสั้าง่นไปเนอะที่เราจะสังเกตว่าบเดียวนี้มันจะไม่ผ่อนใจแล้วก็ตารลอยู่งยากว่ามากจะมีทักษะบามอย่าข้า ง, งหลังอย่างกพอกระยับยร่รงยากด้วยนะก็มีโนรองมาคื่มาถว่าันเป็นทุสติในเรื่องของมีสุ พอแล้วพอแล้วไม่ต้องทีแรกจะต้องตั้งตัวเป็นดังๆเลยไม่จัดเราไม่อยากเพราะเรา่อยากที่จะเสียเรื่องมายเรื่องมากอย่างมันไปทางานการปฏิบัติอะไรมันไปทางานทางเพอเวลาทานี้มันต้องมีการติดต่อกับคนที่ทงนี้แล้วบางทีก็ไม่ได้ดังใัก็ เขาพูดอย่างนก็ทำอย่างนี้จะทำนเสร็จครือทนี้เสร็จเปนเวลาี่มีคาริโอเขาอยากจะได้งานเขากะรับากก่ไปได้พอผ่านเวลาเขาไม่ลมการตัดสินใจก็ไม่ใชอยากจะทาเรื่องขนาดนี้ล่าุ้เจ้าพีามาบวเขา่มาส้างศ้ษยกพาีพอสร้าง ขึ้นมาดีเรจแล้วสร้างติก็สท่างตินนี้ส้างส้างได้เลยแต่อยากจะส้างที่ก็วิติก็พออยู่แล้วคระที่สามารถสาะนี้เปนทิ่เมันเป็นไม้เป็นัคาต่อ้างเป็นอย่างนี้แทนแล้วก็เลยแล้วลแต่ในโดก็เนี่ยไปเจอที่เจอท ก็เลพวกเราก็เลยขึ้นมาแรครับแล้วกาใจกเขึ้นมาอีกตอนที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับเชมอย่บน้าวเดน้าแล้วก็เดินลงข้าวเลยลงมาชำระางทางนอนได้ทั้งหมดเลยวันเรียนวิทเช่อมเจ็ดตั้ต่ตอนที่ตีเนาะจะเดินลงไ แล้วก็ไปไว้พระสวมนต์ทำพิธีไหที่หัวเรือเสร็จแล้วก็มีขนาดมีขนาดเปิดพฉายสลก็ไม่มีไม่ให้ใครทำอาหารที่เกิดมาถวายไม่กนอาหารที่ได้รับการรณาบัตก็นั่งอยู่ใตาแถวเหมือนแบบพระโบสถแล้วก็ล้างบาตรให้โปรไม่ให้กระยางให้แล้วก็เสร็จแล้วก็เดินท่ เมื่อไ้มาแล้วครับพอใบบ่ายประมาณก็สูโลงก็เดินลงไปเดินงไปเพือทำรัดินประมาณหกโมงละลายแล้วสูลงเพื่อเานดิแล้วก็ทํรล้วดินประมาณชุมก็ดากขึ้นระวังของช่มๆแล้วาทัเดียก็ลงไปดนสบห้าเลนี้ไ่เยทำเมือเลยอู่นี้เพราะาชเขานี่ถือว่าเราติดพิลึกแล้ว มมมไม่ควรที่จะไปเรียนทำทำสิ่งเดียวกันเพราะเมื่อัใจเราบวชแล้วเราก็อยู่ที่วการั้ต่างมาแล้วเราก็ไม่ได้มีกิจการที่งามเลยว่าทเสียงเพื่อให้เการภาวนาเป็นการบูชาเป็นการปฏิบัติบูชาเป็นการลกทละแม้ม่าจะรวมกันก็ทำละแต่พวกทีท่หลวงปู่ตะพนมเท่านั้นมาล้วเพ่อทการให้พระมาเรีกันให้การให้แยกให้สิที่เย ต่าเป็นต่างาว่างเนต่างกันเป็นต่างขาพเจาเดินทีไหนเห็นมีรองเท้าอยู่สองสามคู่ในโบสถ์เนี่ยเวลาจะไปกต้องซ่องเท้าเราเอาอยู่ขวเราะเวลาขต้องแบบงให้ีเลียงเราแล้วมาจาก。จัด บบเราไม่เคยตายเพื่อที่จะได้ยินพระล่างความเพราะเราเราไม่ใสเราก็ไม่ไม่ชอบไปไปคุยกันนะอยู่ที่จิตในกรณีไหนนอกจากนานาอุปนิละก็เป็นจริงว่าคที่เป็นเบื้องฐานก็เนอะก็จะพูดในเที่เในเรียท่าติวันกจากนี้เอาวขึ้นึกาตา้เิัดรงเป็นาะ แบบนี้ถ้าไม่เทานั้นแลก็จะไม่เป็น่อไประ่ายจะหาที่ให้เราไมาได้หายจิตเป็นที่สาราเกดจิที่สาราไมกลับมาเขาอยู่ที่จิตไม่อยู่ในต่างที Twelve, ่มที่มีทวามเดียเดนีตแล้วก็บรเนอยู่ดยประเดียวมนายจะเกิดแสรลามันแพงนี่เองิตสงนี้มันไม่อยากจะยื่นอรกาติดตรงนี้มันนิ่งเหมือนน้นที่นิ่ง พอเราไปตู้อไปตือไปตื้อไปไ่ได้เลจะทาให้น้มันกระทือนเพราน้กระเทือนน้ำจิตมันก็ไม่ไหเลยก็ไม่ยัไม่ดไม่นถ้ามันเกี่ยวเวลาเนี่ยเพราะว่าชอบจากการทำจิตได้าสนอแล้วจะมีงา้ทำทำต่อเนื่อกเป็นงานเป็นปัญญาการิดการิยาทุกอย่างแล้วตนบว่างใจในเรื่องของการา เนส่นข่งายนีเป็นขนนเครื่องจัดจจัการในล่วนขร่างกานนยนีเป็นปริูเินเป็นเเป็นที่เลยกในร่างมันมีก้ออยู่ใา ใ, ต, า ใ, ต, าใ ต, าต้ผิหนังเราร่างกาเรานีผลิตของออกมาแต่อย่างไม่มีแต่ของเสียเนั้นเข้าห้องนจัดระะอกระละีน้ำกลือน้ำอัร้ออยู่เรนี่ปสิ่หน มีคอเป็นปกติคนที Sciences, ่เราไม่ค mm ิดจเ่เราก็จะได้เป็นเราก็จะียูให้นิสของน่านเาราฉะนั้นรื่ออยากไปดูการอยากดูารอยาดอยางนี้กจลายเป็นคามเป็นปติเหือนความเป็พิรนสัวนานมันก็จะมันก็จะกายเป็นเหมืนือแต่หรือแต่ความกระดุกหรือแตความก็ดุกในต่้อขึ้นกระดีแล้วก็ไม่เที่ยงเรื่ง โดยวันนี้เราวันนี้เ๋ยวไม่กี่วันนก็เลแต่ผมก็เช้าหนังก็เดืดแล้วไม่เช้าก็เลยเขาเป็นเต้องจักเป็นต่อเามีแต่ความทุกข์ตลอดเลยมาที่ได้ก็จะไม่เล่นมันนอยถึงบอกพว่าเราเป็นใจพละมันออกแอไม่สามารถอยู่ต่ารทำได้ทั้งคืนกรงนั้นทั้คืนสิ่นี้อยู่แล้วก็มันเดยทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับตรนั้นทุกข์กับสิ่งนี้ไม่ขึ้นข้าก็เลยแค่พิจารณาทุกเรื ารเวลาเดอหนีถว่าที่พระอการต่อให้ทิจเจรกับือสรางกายนีต่ให้ทิ่จรหญเป็นาวลงมานี่ยสาันกากเรียกว่าการให้อะไรเรียกว่ากรรมฐานนะฮเป็นวิทธาความรู้เบื้องต้นเนยที่พาเดหนาเร่เรียนรู้ก่อนพระปการนี่ได้ไม่อนธรรมะเนี่ท่านศึกษาเอาไว้ท่านไม่ทำาน้าี่ของอุปจารที่ถเงน ต้องการพิจรารณาร่างกายเป็นการปกป้องจิตไปเป็นการทำจับวรือ่ อ, ต อ, ตอตตงตอบรู้กับยาฆ่าัญหาการยินยักในใจพระทีอ่อยู่ไม่ได้ตังบุตรที่อยู่ไม่ได้กังบตรพาะไม่ได้าาาาพิจร า, ร า, ารณาสมาธิข้าหรืออาการทางจิตรืออาการทางกายอะไรพออยู่ไปแล้วมไม่มได้พิจารณารู้ความในตัวนักเกิดงานเนไม่งานเป็น ของทิ่ทิมีสวยมีร้อนเสมอใหญ่ข้าเลยร้อน่ไม่ได้ติดใจยิ่้อยก็ต้องลาติดัาแต่ถ้าได้ย้อนพิจนรณาตั้งใจวางแง่ตั้งวางเดนนะครันำใจนี้มีาการห้าอย่างมีเรื่องต้นมีผมมีผมมีเล็มีกันข้ามหัวใจพิจาราไปทั้งอนุโลมปฏิโลมให้นงขึ้นใจให้นำติดอยู่ในใจ แล้วต่อไปมันก็จะทุกข์กันยาวอาการแนึ่งับนก็อยากจะดูใต้เทีว่ามีอะไรบ้างใต้เทียมก็มีเอ็นมีเอนมีกระดูกมีเนื้อมีอวัยวะทางกมีหัวใจมีจระดูกบ่อนมีหลอดเลือดมีเยื่อในสมองคืงที่ต้องทุกข์กันยาวการมมันต้องใช้เวลาเาะและต้องอาศัยความรู้เรื่มาก ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาต้องงานจะขึ้ <นะ S 1> างานอื่นมาตกันทีเลยพอะเราพยายานีพอเราออไปทำผิดครับนี่มันคะือแค่จะไม่มีเวลาไม่คิจเวณาเราชอบติดย่ในอึเมื่ออยู่ต่าหน้าลนะเพราะจากว่าถ้าผิดรนะเรามีเงินเราเราเรามีความชำนาญราวาพิจารณาเราก็สามารถพิจารณาควมควบคู่กับการทำผนะิดกับท ก, ก, บ ท, กทิดในละได้ เนตัดต่อใแล้วยังพิจารณาดูอาการไข้งได้หรืว่าอาจจะไม่ได้พิจารณาสาดีต่ออาการจะดษเ่าประดับเรรอบอาการใดกางหนึ่งจะมีพระลูกหนึ่งท่านท่านประดับภารนพิจารณาโคงกระดุกท่านมองไปไหนท่านจะเห็นแบบโคมประดุกน้ท่านไม่เห็นหน้าตาคนละมองตะลายมันจะมองไปใต้ถึงหลังเ็โคระดุกในขั้นขณะท่านนมที่เคยมีคนเข้าวิ่งการหาคนมา เขก็มาถามมาเห็นคนขานั่งถามนะนะไม่เห็นมีตะทวนกระโดดมีตายเลยเพื่อเห็นตะโกกระโดกไปนี่คือการพิจาราเพื่อที่จะทำใจการความีเาเรียกวาการนัคเวลาเวลาอะไรหายทาเดียวในในต่างๆนะครับกงเดียวในรูปของผู้อื่นอย่างกี่ได้มาเู้คล้องน่นพิจารณาในนั้นรับราได้ะอธิบยเลยใจประ ในวิ ja. สก็จะต ja. ่อวางได้แต่วาด้นี้จะบดกัะบดกระเจะคเรื่องของร่างกายก็บมกันหล่ำไร่างกายนีจะไม่มีปัญหาครับจดวงนั้นจจาะเอจะไม่หลงยึดติดกับร่างกายไม่หลยของที่รื่้วนในใจนิสัยทุกขรมาต่ก็องฝ่้วนในแช่ธาตุสิี่ว่อยู่จไม่มีตัวไม่มีนมีต้องชเวลาต้องใเวลา ท่านใช้ความเฉกียวเไม่มีเรื่องว่าตาาเว่ารันใจี่พิจาาจะมท่านหวจเงินเงเป็นตรงไป็นวันเลยน็เอที่วเดินตาดเท้าแตกหลวงรัชกาลทานเป็นงนขาดเท้าแตกของท่านงพิจาราไม่หลับไม่นอนานจงตางดับจางเสืยก็ถิที่นั เพราะเวลาที่จะมาทำลายมันทำมันหุนแวมันุนตี้ยเนัเป็นเป็่รงให่พอเราได้เหนให้มันลงเขาได้เหมันคงเล่แบบไม่มีมันจะหยู่ก็ต้าเลือกปัญหาที่เราพิจารณา้าใจแล้วมันก็รอดได้แล้วถ้าเราไม่ไ้ก็จะหยุดพิจารณาแล้วไม่มีความเดร้อนพิ่จะมาก่อ เมิกรอหา่างีมันหมดป okay. ัญหาะไรแล้วก็เลยไปคุกเนไม่ได้ไปคลกอหารจุนะกไงก็ได้าสนาากันว่าเราป่อาล้วไม่ดนวินีแล้วมันก็ไม่กัจะมาเลขอให้มันจะอยู่ไปอยู่เห็นใเยมานาดน้อยมันก็จะสกอ่าีอาจารย์ใอรมันต้องป่อยวางพารณา มันก็อาศัยสมาธิเปนที่พับาเมื่อเราพิจารณาไปทัศญาเลยนจิตนี้มันเป็นอย่างแล้วมันก็จะเปเหมนกับมีถ้าเราใช้อยู่เรื่อยๆมันก็จะพุ่การพิจารณามันก็จะไม่มัก็จะไม่เห็นชัดเจนมันจะไม่แกขาก็ต้องหผุดพักอยุดพักในเมาธิขัดการทจิตให้สงบถ้าเราเคยทำจิตให้สงบที่คิดโตแล้วก็คิดโคิดโตไปจิตเ่อยาเราอก่อนให้มันเรื่อ เป็นอนกับการพักผ่ อ, อนแบบงินกินอาหารแล้วติดแมักผ่อนตรงที่นั้นก็จะขออะไรมาเองเพราะพอเรามาแล้วเราก็กลับไปแล้ว ก, ก, ออลก็จะเห็นทั้ขึ้นขั้นใจดีขึ้นอะไเการการเดินไปร้านเนี่ยเป็นอาพิเป็นขอที่ขาดกันไม่ได้ต้องสลับกันทำเหมือ น, นกับการเดินต้องใช้ตั้งเท้าลอกเท้าแล้วเท้าตััดกันเก้าถ้ามีเท้าเดียวก็ไปบ ปัญเทาเดี to to มเเป็่ยังไงแลมันจะกระโดดไปทีละเก้าทีละ้าแต่ถ้ามีการเก้ามันจะได้ากเลยถ้าทำสมาธิอย่างเดียวไม่เจอปัญนาเลยมันก็จะตัดส่ง่ไม่ได้มันเพียงแจะกดสิ่่กดดันไม้สิเด่นันแสดงอกเราที่จิตเองแล้วก็จิตเราจาทสมาธิทับสิ่งเด่นมันก็จะออกมาปัญาอางนี้มั่นก็ไม่มีไม่มีปัาที่เลยวาที่ แต่ถ้าจเจริญปัญญาเดียวไม่มีสมาธิจเจริญไปมันก็ไม่มีทที่จะที่จะตัดนันได้รู้ว่ารู้ว่ามันไม่ดีรู้ว่าไม่เีแต่ว่าหงของจีนเข้าไปันก็ยอย่างได้ีอยา่างนีนคนเหนือรู้ว่ามไม่ดีที่จะดน้นก็รู้ว่ามันทษจีนไปแล้วก็นอสิ่งที่เราเล่าางวิถีธมยเนี่ย แต่พอถึงเห็นคนเล่าก็ได้ไม่มีกำลังที่จะหยุดต้องต้อหยุดมันระเบดทแต่ถ้ามีกำลังที่เน่าถูกเรื่องนึ่มันมีความอิ่ในตัวกลังมันก็จะไม่ถอกับรพีงแต่ว่ามันยังไม่คาดมันไม่สามารถทำลาความอยากได้ทั้นเองถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ระวังไม่ดูแลเดี๋ยวความอยากมันจะทําจับอาหารกนได้ดั้นก็จะมาดวยป การที่ะปัาเนี่ยเป็นการขอร่าขอคนขอเกี่ยต้างเกียบเที่ยวว่าสมาธิเหมือนกับ่นทับหญ้าเวลาถิ่นทับหญกแล้วมีหญ้ามันก็จะไม่ออกขึ้นมาพอเอายกถึ่นออกมาไม่กี่วันเดียวญ้ามันก็งอกขึ้นมาพวาาขึ้นมาเพรม่ขอร่าขนควรแต่ถ้าเราขอรขอควขอหญ้าแล้วเราไม่เราไม่รอถิ่นทับมันก็น่าเมื่อไม่มีหญ้ามันจะิดะเレขึ้นมาได้อย ปัญญาผลงานที่เหลือจะอยู่กับกามาถูกขอหน้าของคนด้วยปัญญามันจะันจะมันจะกขึ้นอะไรหน้าะนาของของกิเลสก็คือความยุกความเห็นผิดความชอบารไม่เห็นอนิจจังทุกข์ของไม่ต่านั่เห็นว่าเป็นที่เป็นอนิจจังว่าเป็นอนิจจังแต่ว่าสิ่งที่ไม่เชื่อแต่น่าสิ่น่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เราว่าสิ่งที่ไม่มีตัวต่าเป็นตัวนเวลที่จะมาให้ดีน่ามันตไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่มีตัวตนก็จะได้การทำงาคามเหนื่อยเ็อมันไม่มีความเลอยแล้วความโล้ก็ไม่มีเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เราได้มานี้จะมาให้ความี่ขมามันพยายามจะได้แล้วเมอรู้ว่าได้มาแล้วต้องเสียนันไปแต่เราไม่คิดอย่างนั Yi ้นรเครยดได้มาแล้วไปอยู่าไปตลอดจร้าความสุขกัเราไปตลด จะเป็นของเราไปตลอดแต่มันไม่้เป็นานั้มันเป็นได้าเดา๋ยวง้าถืเขาควตเสร็จแลวถกันอยขางเร็จแ้ว้จะมาล้อมห่ม้อมให้เากฎดกวยกันหรืถ้ายังไม่ถือแย่งนะไม่ถือโมยไปขณะอยู่ก็มีความเป็นไปนะจะถืกเมื่อไหร่็ไม่รู้มย่างนชื่อเฮ้ยอ่นงี้จะก็ตกเมื่อไหรก็ไม่รู้ไม่ที่ไหนไม่ได้เที่ยงเขึ้นด้านก็ลงด้า เล้นนาเชื่อมันก็คึก อ, อยู่เลือยแล้วมันก็กินไม่ได้มันไม่อยาก ก, ก, กินแล้วพอมันตกก็จะหัวโหวเลืาแล้วปวดเป็นยังไการเชื่อที่มันตกน่างนะนล้วอตายโอ้ยโดนดากัานแล้ว <laughs> กขึ to <isan music> ้นหรือคนเนีเกิดน้วีมนจากกมสมาธิได้ท้อง่างทั้งอย่างถ้ารื่าเรื่อง่ดีเราก็ต้องก็ต้องยึดติดขี้เมาต้องไปดีการขาตดก่อนนะมันเ็ไปีต่าตๆเปงานิดกนานาตอนที่จะอยู่ใานถ้าไปหยุดตใครบ้านอทอตรงอีสานนี่อะไก็ของตกเขาไม่มีลมมหายเข้าไปลยกระดนยากิ มันจะเป็นต้นไม้ทำเป็อดไม้แล้วเอากระดาษปะองมีฝแล้วเวลาไปเที่ยวเขาก็ก็จะปจับคืนกลกองร้อถุงแล้วตอาอันนั้แล้วเอไม้ของเขาก็ปกบทไว้แล้วเวลาเวลาเวลาไปเที่ยเาจะมันจะดีมันก็ดีขึ้นมาแล้วก็เลยทิ้งมาโดยคนตาอ่างเดียว้ก็ ถ้าเราไม่ทรานะเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนอของเริงเรยนขจริงแล้วแล้วก็เอานาคิดเอาเอามาเจริอยู่ด้วยเ น, น, ยนี่ยงนใจของเรามาั้งนานเหมวันตาเราก็มั เ, เป็นอย่างนี้ประเด็นนี้จะหมายถึงมันมีน้ำเสือใหเราตวจดูได้หรืเราจะไปไปไปดูที่รัว้วโบสถาก็มีที่ทีันข้เราเอาบอบางเรื่องไตรวจมก็มีค่าที่จะเป็นเนเนะนี้น บางครั้งก็ไปดูพระพระผ่านไปที่รงพยาบาลทียาทีโรงพยาบาลตำรวจก็จะมีนักศึกษาแคเดียวแล้วก็ไปดูเขาจะไปเวทไช้ก็มีแต่ในนักศกษไปแต่นี่มันต้องระดับคนที่มีพลังที่มีมีปัญญาว่าถ้าคนไม่รู้เรื่องไปประเดี๋ยวต้องก็รต้องจ่ายเดือนเดือเดือน้วต้องมันเป็นยาผมยาผมนี้ไ ต้องบอกว่าคที่ต้องการจะละต้องการที่จะเพิแต่ไม่อยากจะยืมประโยชนข้องกับคู่ครองนะเอนใเพื่นเพรักบว์แี้จะป็ระโยชน่ถ้าเพือเพื่อนอนปฏิบัติในมบนี้กว่าในะเราะว่าคนที่จะทำจุดให้สเร็จก่อนนับเวลาวาจบความตกใจ ในด้านติดเงินได้เงินอ่อนในความผลผลคุ่าของการเจรจาว่ามันมีคุงค่าเพื่อามเพื่อรักษาให้ติดใจขนาดขนาดจากความโลกงเรียินดีต่างๆ้เมื่อเราเห็นปัหนแล้วว่าเวลาที่มีมีคามกำลังยนดีนามกิดขึ้นในทางของที่เราต้องการใหติดย่งยิ่งทก็อยากจะําจาก ถึงตอนนั้นลอาการหมอาการที่ไปที no ่เาดูอาการเนงแม้ณะนี้แต่ละท่านนาใช้จิตท่านนี้ก็ัก็จะทาให้เสียเสียได้เพืออาจจะบอากาศอาจจะติดการอาจจะเป็นบ้าก็ได้หรืออาจจะหมดศรัทธาไปก็ไปไปใช้ยาที่มแรงตานที่ที่เป็นเรงะได้ ยไม่อยู่ในามต้องการนอมนเ่อยาจะเกิดนเบื้อง น, น, อ น, นกทง็ทำความพายาม้ได้่อลด ะ, ะในการยึดติดในสม บ, บ, บ, บ, บค่าห้ไดก่อแล้วก็ิตให้ได้และจะทจิตให้นเพ่อยใจทางได้ มันจะเป็นยังไงก็ได้เราะงันแต่ท้งแต่นี้มันการ์ดไม่เหมือนกันมันอาจจะย้อนย้อนสมัยต้องเป็นสมัยที่ทียังขาวดำอยู่ัคือมันยังไงจะได้คลายมันตัดตัดทีเดียวได้ก็ไ เ่อคอาจจะไม่เห็นภาพเหมือนเดินิดพอดเมกันเลยนิดพเมอนกันเหมือนกันนะ แ, แต่เมื่นี้ตั้ตอนนี้ถ้าเรอาจจะเป็ี่ยนทางนี้ทางนี้ถ้าทำไม่ได้ะเะกิะอะไาเรียกตุกขนี่จะปรากฏขึ้นมาเป็นภาพแล้วก็จล้มหายไปให้เขาหอกว่าพยายาักษาภาพา น, น, มามานันาาพนน้ให้มันตั้งอยู่นานๆให้เราเห็นอภาพภาพใดภาหึงเห็นว่ามันหายไปแล้วพยายามเรีนกลับมาให้มันตั้งอย่เป็นน เมอมันส้างอยู่ไนโรงงานแล้วถ้าต่อไปถ้าเราลองใหแยกอยากัแยกยกขึ้นส่วนแล้วนรับเป็นส่วนๆแต่ถ้ายังแยไม่ปฏิภาพอีกอันนี้สำหรับคนที่มีจลิตลึกได้รอาไปปฏิบนะแต่คนที่ไม่มีจลานี้กก็ไม่จำเป็นที่จะแยกได้นะการที่ว่าเราไม่เห็นเรงมาเรก็มรนก็เห็นอยู่ในใจอย่นี้ไม่อาจไม่อาจจะเป็นภาพก็ได้เราเรอราเร่ถึงคนนี้นนี้ตอนนี้ มันก็เห็นว่าแต่ไม่ได้เห็นเป็นธาตอเห็นว่าขณะว่ารู้ว่าเป็นอนุาคหนึ่งแต่เมื่เป็นธาตุี้ก็เป็นธาตุี่ตนเป็นอน่าคอการพิาาเป็นส่วนนี่ายความว่าให้เราเห็นธาตุนี ale, ้เงินแล้วก็แตกเป็นส่วนมากมายดังนั้นเส้นนี้เสนี้เราจะมงการตังจเเห็นว่าไม่มีตัวกน ในร่างกายเป็นส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆหนึ่เในหนึ่งเดียวญาติชิ้นส่วนน้ำมันก็จะมีจบกชิ้นส่วนไม่มีเซวล์เดียวเยญาติจะงห็นวเป็นบินน้ำมลนไปอย่างนี้นหมครัก็ได้ม่ส่วนหนึ่้ของน้ำมันไปเป็นเซลล้มนแต่ว่าเราต้องียนญาตามีสองแล้วถามว่าตัวตนอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมเหรออยู่ที่ผมเหรออยู่ที่ไหนอยู่ที่ฟห ไฟมันก็ไม่หมดครันมันก็ไม่หมดควรยักษ์มันก็ไม่หมดควรอาวัยก็ตายหมดัวมันก็ไม่หมดคว้การมันอ่ตรงมันอยู่ที่อยู่อยู่ที่คมเราจะเป็นังไงขึ้นม คือเขาทคนันเขาทำก็นห่วยชาวต่งตก็นห่วย้ี่ก็ยังรับคมได้ กีสองทางนคือย่าิ่งไพิจาราและพายามพยายามทำานเพ่อให้งานยิ่งยิงให้จุดแข็งมากจากนี้คับยุ่งงั้พิจาณาต่อแต่ยุ่งๆเราตองรมับกวันนั่จะเป็นเรืองสองทางคต่ทางหละอย่างถนี้นเาด้องแต่ละคนแต่ละมีมีการโอกาางๆ่างๆอนี้าคนาจะต้องย้อนกลับมาหาพลังทางด้านการทำงาน ถ้าจิตมีกำลังอก็พร้อมที่จะรับกับอนิิดที่ว่าสมาธิรนมรไม่เทมากกว่ถ้าข้อิดรวมรวแล้วนรับไ่ามันจะรู้ว่าจิตไม่ไดเป็นรกายแต่ถ้ามันยัไม่รวมรวมนี้มันพิจารณาไม่ได้เท่าตัวมัตยรที่ว่าร่างกายกาบจิตเมื่อที่มันจะตารีวมันก็ตัว ใช้ไม่ได้ใช้สมาธิเเนี่ยเนี่ยพวกที่แบว่าที่ว่าจะกับที่ตัดสมาดไม่ได้สมาธิมันจะิดบนี่มันจะไม่เกิดประโยชน์นะเพราะสมาธิต้องเป็นฐานของทีตัดสมาธิมีสมาธิม่ไ้ท่าไ่เาแต่ว่าใช้ที่ตัดสมาธิเ่อปัญญาติดให้สมองให้เป็นสมาธิเพีาว่าสัญญาเองสนาอย่างนั้อีกอย่างนึง ถ้าอย่างนั้นได้ช้าเป็นเราเพื่อการิึกห้เป็นสมาธิทำถ้ามีสมาธิแล้วเข้ามาพิจารณาการการพิจารณาปฏิบัติจริงอย่างถึงใจถึงใจก็ได้ยังไงก็ได้คือทำให้มันเสิดความกระยาครัวเกิดความยังเกลียดการมีทางยินดี เป็นคนที่ลราล้วน้อง็เกิดก็ไปโดยไฟข้าพขึ้มาองนอานั้นก็ไม่หรอกล้นนะเราต้องอยู่เราต้องอยู่ได้นะเมาเกิเป็นเพราะว่าเขาไม่มีสมาธิเป็นโชื่อแบบที่แบบว่ากาหนดโดยสติไปเรื่อยๆแพิจารณาไปทีนี้มีถามทีิเรื่งลกติทางพิจะว่า ก็ต้องถามให้มันลงไปสืบถามให้ได้ด้วยดิจิตารุสคุณของขัารกำหนดดูจิตไม่ใช่เป็นส่วนหน่งที่จะช่วมันไม่พอมันไม่ดิจิตมันสถามถจะลองสืบามไดก็แต่ม่ถ้ามันถ้าไม่ชอบนัหลับตาดุจโกลมันก็มักจะอยู่ที่ตัวตัวแล้วปจ้าเองกอย่างไรแล้วมันดิจิิ่ให้มันลงเลยแต่ในีนที่ดันไปาระเอกต่เขือโค้งน่นท่านดิจิตยิ่งะเรากันมา พอเราเ็นเก้าท้องก็ทนที่มันจะเกิดนเกกลัวนก็มันก็มัก็ลุกลงไปถึงความถนาดอะไรยวางน่างกา้นงให้เห็นว่าร่าตายก็หาไปเสียรายกันเสียแตจิมันล้วนอยู่ดีอ่นะต้องลาดิ้นตอนไม่รู้ติดว่าเ็นงานพอถอนออกมาแล้วเพียงที่จุดใจในคนใจในไม่อะไรย่างเใช่ไหมถ้าเป็นทนที่แบบไม่ชอบย่งหลักจาที่โคลที่โคลก็ต้องไปอยู่ที่จิตเปี่ยนกลัว แล้ไปเจาะหรือกับอะไรแรงๆก็ทำเป็นตัวกระตุ้นให้จุดมันเยื่อลงถ้าไม่ยวมลงก็เป็นบ้าไปเลยต้ามีอีกต้องมีอีกลายหนึ่งที่เขาที่เตรียมจนมาถาหน้ากังก็าอยากจะเตรียมลงปีเท่าอยากจะไปเจอเสือในแต่พาไปเจอเสือจริงๆภาวนาไม่ได้จิตใจมันสั่นไปหมดเลยเขาเสือเห็นเสือเขาได้เห็นเสือกลางนอไม่ยิ่มไม่เข้าหมู่บ้านเลย พอเจอคนในหมู่บ้านก็พูดเป็นสีไม่เป็นภาษาเลยภาษาเป็นอะไรนะมึงรอๆอย่างั้ <c oughs> น, นก็อย่าพูดไปแล้วก็ตื่นไม่ยัง ไ, ไ, ไม่แก่กล้าของั้งการปดิบัติมก็ต้องยึดมกําลั่นใั้เต็เมถ้า่ะได้ให้เขาเลยก็ทำได้เราจะทำได้เราค่อยๆไปเจอท่านเจอท่านตอนแั้วก็มาครัวก็อยู่ในติกสอ พอให้กลัวแล้วถ้าอากมาอยูที่น่าติที่น่าสติละลายแื้วให้เขาไปอยู่ในต่างนีมันไม่ขยันเลยเลยแล้วถ้ า, ากก ม, มีการฝุกตั้งสติมากกว่า นั่นถึงวิจารณาว่ารวมๆมากกว่าว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของของใจเห็นการเปลี่ยนแปลงของใจของอารมณ์ของแต่นรโม่พอเพียนเพราะการเจริญวิแท้จริงต้องที่จะเข้าไปตัดกับความโลภความโกรธความหงที่มีใน เราสามารถที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงได้นรือไม่ถ้อ่างรเราจะตามนี้เราจะรู้สึกเฉยๆได้หรือเปล่าเรายอมมากมันได้หรือปล่าให้ตอนนด้ปองตัวตัวั้นเราก็รู้ว่ามันจ่อเปลี่ยนแปลงแต่มันยังเป็นทฤษฎีใจยังไม่ได้อยู่ั้ลมันจริแต่ถ้าเราไปเจอหมอหมอบอกว่าคุณมีเวลาอยู่สามเดือนอนี้ัจะวับได้ไหมมันจะรู้สึกเฉยได้ไหมรู้ว่ามันจ่อเพิงได้บเหมือที่เรา จะเรียนได้หรือเปลถ้าได้ก็สแายว่าก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็สบายว่าทำทิศประมาณนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกพราะฉะนั้นมาติียั้งปัญหาของจริงของที่เราเราเปฏิบัติอยู่ในบ้านนี่มันเหมือนกับเราต้องปล่องนจากให้กับประจกตามันก็มันก็ปล่อยมันก็ปล่มันก็ล่อยกันได้แต่ไม่เหมือนกับขึ้นเรบยนโดยที่ีตัวของจริง แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นการสิดสติคือร่มต้นเราก็ต้องมีสติไว้ควบคุมจิตใจแล้วก็มีพื้นฐานของปัญญาคือการเกแบบมีการไม่เรื่องแค่แน่นอนทีนี้เราจะทาอย่างไรเพื่อที่จะให้รับกับความเป็นสิ่งมันได้เราก็ต้องเริ่มติดสติทำห้เรารู้ว่าทางที่จะดูร่างการเป่นจากเปลี่ยนนี้เราจะอาไปที่สติร่างการับ่างกาการการที่จะดูเร ก็ไปได้แล้วก็ไม่เอดข้าวหรือเปล่าว่าจะอยู่ว่าตายร้านวันไม่ต้องกินข้าวกันบ้างจะนอนที่ไหนก็ได้นนก็จัดให้มานอนที่ไหนให้มาได้ท่านจะอยู่ปัดข้าก็ไปได้เ mm hmm. นี่ยแต่จไปที่สูงได้ว่าการปฏิบัติของรานนี้ได้ของหรืไม่ได้ของ นม่มีใครถามาา ม, าม า, ามหาเลยต้องถามมาหาใมาไม่ติ ีก็ทาด้วยขยยาก็สลับกันทำที่แต่ว่าสมาธิที่มันยังไม่รรงพอถ้ามันยังไม่ถ้าเรียนก็ยังไม่ครบลอยนะถ้าถ้าปฏิบัติมันไม่ได้ถึนะ น, นั้นทีนี้ถลงติดข่มันจะทา ง, งานได้เป็นที่สมาธิที่มันจะเป็นตกาเป็นกันที่จะเป็นฐานใส่ปัญญาได้ดีด้วยตัวเองดูไม่ได้เป็นอัตมาต้องอ ต, งตองิดต้องวมเลยเนื้อสีกัแล้วว่าย ปล่อยวางร่างกายรเิปวัาเ็นไจะมีกผัถอดมาแต่คิดไม่ได้ว่าไม่ไปยื่นเปียนอมันจะอยู่นิ่งอนวจางมัเงาแต่นี่เราต้องการอยู่ยที่จะเบิเดไ้เพราะการทำสมาธิก็เป็นการหยุดนิ่งหยุดจเมื่อหิุดหยุดแล้วท่เรียนมันก็ถนัดเลย จริงะว่าถ้าเราไม่เคยหยุดมันเราก็ไม่รู้จหยุดมันตรงไหนถึงขับรถกันไม่รู้ว่าเบรคดีตรงไหนร้แต่ทำเรี่อจงจะเเวลาจะเดรคยังก็เบรกันไม่ได้ที่เราไม่นั่สมาธิเพื่อหาหากานเบรคของใจเลยรู้จักวิธีหยุดใจเมื่เรารู้จักวิธีหยุดได้เวลาเราออกาจากการสมาิเรามาหยูดยด่จิตปกติเเห็นอะไรปับ๊บจะจเบร์ขึ้นมาปับเราก็หยุดจใจไดนะ้หยุดเร์ได้ เราอยี่กอแล้วแต่ถ้าเราอยูทำงานที่ตึกีเราไม่รู้ว่าเปิดอยู่ที่ไหนพอเกิดขึ้นมามันก็ เ, กเป็นได้พอพิจารณาทางตายทางวิญญาณติดกับสังคมมันตอกย้ำข้างึ้นเราอยากเพราะมกระตุ้นความัวให้เรามาก่ึ้นไปารที่จ ะ, ะ, ะทำให้มันให้ตรว่า ม, มันตายไเต็ ก็อที่ว่าจุดตรงนี้ก็มาที่ยังง่ายครับคือท้งเดือดชอบปฏิบัติงานได้ง่ายทำหมดรูปงานดับเกิดดาบเกิดดาบสบายแล้วไม่ได้ต่อตื่กับเเวลาเฉ่ยจะทำอะไรตอนนั้นก็ไม่ได้สมุดตู้เวลาอยากจะได้แล้วก็ไปไปทานตาทานอยรอย่างี้ ก็ไปดูการเีิดดับัองตัเอย่างอยากไปดูหนังก็ไปดูหนังอยากดูหนังจบความอยาอย่ากดูหนังหายก็ก็หนังมันดับไปหนังนี้ก็ไม่ได้ สิโลโลย์ยงี่เปนลแล้วไม uh, ่ uniform, ีครับ่์ไม่ดีจ่านไม่มีเปลานของผูเจ้ากับฐของผู้นก็เหือนกันใจของผู้แจ้งกใจสิโลยไม่เหมือกันใจผู้จไม่มีสิโแใจของผู้ชนไม่มีสล คือเราเราหลงทุสิงอย่างหลรูปถึงติ่ง้วกะก็ตกความโลภนแต่ถ้าไม่หลงมันก็จะไม่ัดทํามลภทนึ่ก็าถ้าพิจารณาก็ต้องไปที่ใจรับสมอท่งพิาาที่เราโลดเราต้องเห็นว่ามันเป็นทุกนเป็นอนิัมันบว่านทุกมันก็ไม่คุ้ที่จะเอา ถ้าทหารจะให้จะาทานี้ไม่กลาทกเนี่ทหารต้องเพียงเรื่อนือกันเองอย่ที่ว่าใครจะเอาไปใช้ถ้าเป็นอธรรมมาก็ใช้อย่างนี้จอยขั้ด้านมาเพิ่มเพิ่มเนว่าจอยสองคนต้จะใช้ทันห้าคนใช้ล่างกายช่วให้สังขารตรงกันใช้ยาวยาวใดธกรรรับนี้ตรงนี้ก็เป็นเร่งท่ยากขดนไป เราวัดเรเโกปดัรที่เข้ข้นเปนเวาบท่านี้แค่ก็ต้องใช้ายใจทนยังไม่มีความโลภความโกรธอะไรอย่นี้ในขณะที่สมถะเป็นไปการจะให้อะไรมามากเพียงใดก็ไม่เลยเดียวดีใจไม่เดียใจว่าให้น้อยไปหรือให้มากไปแต่นี้ท่านก็ไม่นใ้ดาธรรมดาเป็นก จจแต่การเร่องอะไรนี่มันไม่เหมือนนะแต่เราน้อยไปก็โด น, นถ้าเรามาไปก็อยากจะได้มากขนนีมันเป็นอย่างนี้นันต่งางกันนะเป็นนี่มันเป็นเป็นเพืน่นขึ้นมาเป็ น, น, น, นอย่างนี้เมื่อเดินรถรายนต์ก็คนคนไม่เมาขับกับคนเมาขับมันไม่เหมือนกันนะคนเมาขับมันก็เป็นคนเทท่าหล่อเลยแต่คนที่ไม่เมาขับก็ขับขบล่อปลอดไั อาที่โดยการจะถึงจิมายปลยคามนั่นเป็นสร้าจจงความเดีอดร้อนให้กับผู้อื่นันก็เป็น่บงนี้จนจเป็นเคร่องมีความตั่องก็ก็เป็นแบบเพ่โจมที่ร้ายติดเขาก็มีฐานะาหมือนกันแต่เขามีอวิชาความรู้ความเก่งควา ม, ม ห, าหลงความใปรแต่คของพระอริยะจ้างขาต้องมีกับครระเทั้ มันพาทก็จะพาไปสที่ทํามเจ็บป่วยที่ดีที่งานได้เป็นสิ่งระโน้คำถามนีมันไม่ดีมันไม่มันไม่ได้เป็นของของใครมันเป็นมันป็นภาวะางมันไม่มิเบี้ยวไปตรนไหนเองมันอยู่ที่ใจที่มาทรอบรองเวลาที่เกิดการปฏิสนธิ่องการรวมของธาตขคืน้าของเงินท่อแล้วก็มีติดเข้ามาเป็นท่อมายึดติด บรากาเป็นการเริ่มผลิตรถยือนขึ้นมาแล้วก็มีคนถ่าจองไว้ก่อนเนี่ยเพราะว่าเมืไหนก่อนเริว่าเขาผลิตรถถังาต้องไปซื้อใบจองมาดังจองตอนนี้นะเขาเริ่มผลิตแล้วเราก็เป็นเจ้าของตอนนี้ครับงกายนี่ก็เหมือนตอนรอผาของเป็้าของเราเห็นตราต็อกต้เดยอยเบี้งติดเืงใจมียาอลไรมาเก่าไป้ะร่างกายนี้เสนี้ แล้ก oui. so ็ม so, so, so, so so so so, ันก็เข้าลอยล้ people? People like ้าวมันจะลอต่อโตขึ้นมาพ่อเนื่องจากี่หลวงศนีละมกทำพยาบาไปใช้เงินใช้ยืพอขาโขึ้นมาก็เอาไปทำอะไรต่างๆตามใจันไม่ตามพ้อแม่พ่อแม่อยากจะให้เรียนพ่ไปเที่ยวอะไรตามใจผมพ่อแม่อยากจะให้รวยแค่ไม่รวยนะแล้วพ่อแม่อยากให้็นกจะตัดแต่ต้องให้รวยนะโยตามใจผเพราใจตั้งแต่วันพรุ่งนี้มันไม่เหมือนกันแค่จากผมมาทาหลวง ถ้าจับเป็นมาทางันนะมันก็จะไ้ทางขันนะถ้าจับเป็นมาทางเปลี่มันก็จะไทางเปนแต่ขันมันก็เป็นเป็นต่างๆรักษากครมันาเป็นเจอบครองครอบคองอะไรอย่าเงี้ยถงวาร่างกายร่างเนี่ถ้าเกิดเราไม่ยอมมามาจองฆ่าต่อคนอื่นมันก็เป็นของคนอื่นมาก่อถ้ามีวิญญาณคนอ่เข้ามามันได้ไปก่อนเราก็ไม่ได้ร่างกายเลยเราก็ไม่ได้หาร่างกายเอง รการนี oh, standard, ้เขาจะไปทาอะไรก็ด้ที่อาจจะไปเป็นเนโจนก็ได้อาจจะไเป็นนักการเงก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ใจมันจะชอบอะไรมันก็จะทาร่างกางไปแต่ในทางถาคนก็เอาหัถ้าม่มีแล้วั้าแต่ใจนี่ยโติหรือถ้ามุ้ไปล้างนี่ันจะท่นะทงหางมันก็ไม่มีสภาพอยู่แต่ท่านในิ พื้ น, น, นจีบนี้มันไม่อยู่ภายในพื้นที่ที่ตู้ง ม, มกภ้างแค่แค <c oughs> ่ต้องมีตำแหน่งที่ไม่มีการเลวร์เพราะฉะน้นเราจะพูด ว, ว่ามั น, ม, นมันมีกานมี้ย่างนี <c oughs> ไ้ได้เพราะว่ามันกวา้ า, า, า, ว า, า, างใหญ่เท่ากับจักรวาลก็และวยาว่ากับฟองฟ้ากัแล้วเพราะว่ามันเล็เท่ากับย่างตายกนแล้วไม่เท่ากับตัวนัทก็แล้ว <c oughs> แล้วแต่ว่าเราจะอะไราเป็นจุด จิดนับมันถ้าเราร่างกายเป็นจิตนับล่างกายของเราก็เป็นัวจิดตัขนาดนี้ท้าก็เป็นจิตใหญ่หน่อยตัวย่ามันใหญ่แล้วก็ว่าจิตใหญ่แต่ความจริง จ, จิตมันไม่ได้เป็นตัวท่ามันไม่ได้เก็นตัวเนี้มันเป็นเชิงใจแบบกระแสขึ้นเทอกับวมือถือไม่ใช่ยังไงตัวสัตว์มือถือไม่ีทุก ข, ขนาดเลยขนาดผิวแล้วขนาดใหญ่โตจะแบบเครื่องที่ ม, มาเข้ามาในเข้ามาในนักเทอสัตว์มันก็เข้าไม่ได้ จิตก็มืนกักะแเรื่องที่เข้ามาเข้าม่านต่างเลยในทางกจิตมันสามารถไปได้ท่วจากประวาตภายในแค่เที่ยวขึ้นมาที่ในที่รู้จ้งแต่ว่าเพีงแต่อ้าแขนหลบไปป๊อปนก็ถึงฮะถึงโลกนั้นถึงโลกนี้แล้วจิตมันอยู่ทุกหทุกแห่งมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้มันจะส่งจิ ต, ตไปตไปไปไปไปไปเข้าไปเข้าไปในเครื่องเครื่องหลังก็ได้ทางเดินเข้าก็หม สถานที่วาใกล้กายไม่มีปัญหาสนัดแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องจิตนาทัดเพราะมันเป็นแบบจินัดคนที่ไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าสำหรับคนปฏิบัติแล้วมันรู้อินใจจังไม่มันแบบมันไม่รู้ว่ามันไม่มีความไม่มีความตึงจนต้อไม่รูว่ามันอยู่ตรไหเพราะมันอยู่กัเราตลอดเวลาที่คอยอยู่นี้ก็คืตัวจิตไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นตัวที่ เป็นเครื่องมือของจิตเท่านั้นเองกจิตมองไม่เห็นจิตเื่อเราคิดไปต่างๆงงนั้นานั่นมาจากตัวเราเองใช่มครับพรเราไปลงยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราแต่ไม่แค่ตัวเราที่ใช้เองคือตัวจิตเรายอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นจิตอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นแต่เราไม่เพราะเราไม่เคยเห็นจิตที่มันอยู่ในสภาพที่เป็นของมันเลี้ยง ยังอยู่แบร <PTSD> บร่างกายอยู uh ่แบบไม่เปลี่ยนถึว่าปวดขาแค่เลยขึ้นแลติดอยู่นั้นติดยตนี้ตอตรนี้ถ้ติดนในติสัของเราถ้าไต้องไปกังวลการติดเพราะติดมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ไม่จัจับไม่ตระเหมือนกับภาพติดในนี้เอมันก็ไม่หายไปไหนมันมาลกันอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็ กายเป็นอย่างอื่นไช่ไมที่เราเล่าสถานละไปแล้วก็มาจากการเล้งของนลมามาเป็นผักเป็นเนื้อเป็นอะไรเป็นผลมาพอมันเข้ามาในร่างกายเราแล้วก็ส่วนี้มันก็เข้าไปเป็นถึงเป็นผลเป็นเลือดเป็นควมไปเจอที่มันร่าายไม่ต้องการมันก็ถ่ายเมื่อกลับไปสู่สู่เบิงอยู่ไปถ่ายใน้ตาดรือไรไปอยู่ที่ไหเียเกาป็นดุงกันมันก็แห้มนกการมปนนยุงข่าวน้ำมก็ระเหยออกไป มันก็วันเติมเรีาายนมามันก็มีจัยโทษไปเรื่อยถ้าเพื่ภาษาอะไรใหม่ถึงมันก็มีจัยโทษไปเรื่อยแต่ละอันนี้มันก็ไปลาแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ต่างมันก็เป็ิดงอยู่ตรงนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่จะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรปัญหาอยู่ที่ว่าจะทำอย่งไรกาลังต่างจะทำอย่างไรไม่ให้มันพุ่งแทงอยปัญหาอยู่ตรงนั้นเหมือกบคนที่ถูก เอาเยิ่ด้วยลูกธนูลกธนูเามี้วธนูนะลูกธนูฝังอยู่ในอยู่ในร่างกายดูก่อจะมาช่วยเอาลูกธนูออกมารักขาของาให้เขาต้ห้ามไว้ก่อนเขาเพท่าทำไปถามก่อนว่าคนที่มีนั่นเป็นคนเชื่ออะไรผู้หญิงผู้ชายมีอายุเท่าไหร่เป็นคนชั้นไหนอะไรอย่างเ้มัวไปหาหาข้อมูลวันนั้นก็ตายไปดีแผลก็แถ้ก็แน่ตายไปดี ตายแล้วก็อนใจไม่อไปรู้ว่าใจมันเป็นอย่างไรมันกว้างมันไหลมันเล็กดมันแคบมันอยู่ตรงไหนตวลามันบริสุดแล้วมันจะเป็นอย่างไนไม่ต้องไปสนใจรักษามันหายองเพรนันมันบริสุทเพราะนั่ปัญหามีตรงนั้นแล้วมันจะรู้เองไม่ต้องไปขังใจแล้วโอ้ยแค่ตายก็แล้วอยู่ตรงไหน สามารถติดต่อกับเราได้ไดีมาอันนี้ก็มีปัญห า, าว่าพระพุทธเจ้าพระอาจ์ที่ท่านอนุภาน์เวลาไม่ยังมาติดต่อกับท่านที่มีทีวิตอยู่ได้ไดีมากแล้วก็บอ ก, ก้็ไม่รู้นะแต่ก็มีมีพ่าวแจ้งเข้าว่าระยะท่านชอบศาสนาที่ท่านมีพระพุทธเจ้ามีราเป็นสมาธิขท่านทีนี้ท่านจะมาเรียนรูปแบบเก็ไม่มีเหมือนกัน แต่มาตัวมันก็ไม่เกิดจ่ายมาก็มาไม่มาก็ไม่มาไม่เือมันจะไม่ได้มาแก้ปัญหาอะารถ้าท่านมาแสดงความให้เราฟังแล้วเราก็ไม่เอาปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะถ้าท่านไม่มาแต่เราสามารถเอาคำหนะาคำสอนของท่านมาปฏิบัติได้มันก็จะเกิดประโยชน์ได้มากกว่าดังนั้ไม่ต้องไปคิอว่านิทานหรืออย่างไรพระพุทธเจ้า ทิฏฐางของเาหายไปนหนแล้กับสูงหรือป่าถ้าเรื่องอันนี้เป็นเรื่องค่้ายๆว่าปัญหาอะไรปัญหาโลกแตทิฏฐางแล้วไม่เกิดตัวอะไรมาทำหน้าที่ที่เราต้องทำด้วยการตลาดทิฏฐิทาง <c oughs> <c oughs> เราจะเรียนัญญาทุกเจ้ามาเอาิทุกเจ้ามาประดูดคู่ทุกครั้งเรจะับประทานอานอกจากนี้ต้องดูแลนะจะได้็ติดมือคู่สอนจะได้เป็นธาตารแล้วก็ไม่เอาไปใช่เลย้าภาาุู่เวลาจะใช่ในกระจายสีท่านบางครั้งให้ทุจ้ามาเขาเรียกวปฏิสังขารโยนิสต์เาอหทธกเจ้ามาวรให้พิกจ้ามาอาหารมุ่งธรา ให้พิจลาที่รักษาให้พิจารณายารักษาเราอย่งน้หน้าที่ของสิ่งเหล่านี้จะรับอาหารก็เพื่อรัทษาให้มันดับความดีวเทนั้นเองไม่ได้รัะษาเพื่อความสมดุสนางอาหาบางคนนี้กินหาดีต้องจัดเป็นยาไม่ควรกินหาดเป็ร้อยนี้มันไม่ใช่เรื่องของการกินอาห้รมันไม่ได้ปฏิบัติถ่ายยังหม่เสรไม่ได้พิจานณาอางนี้เป็นผลของการรักาา การใส่เคื่อผ้าก็เพื่อตกเป็นร่างกายเทนนยน่นั้นเองถ้าพิจารณาแห่นี้งจะไม่ไปิ้งเคื่อผ้าเป็นชุดละเมียดเป็นสายเติดกรดับคอยกระดับเทกิกเนบ้านอย่างนี้นติดทำไมมันไม่ประยู่อะไรนนมันมีจ็เพื่อมันเคื่องผ้าที่ไม่มีกระดับเท้รกระดับคอยเรือว่ามันก็เป็นเชื่องแตเหมือนกันแล้วก็ปกแต่งร่างกายเหมือ น, นกันเ่อพแม่ปฏิบันะติสังสายนิสสังสารนิสสังนะครับปฏิบัติจะได้พิจารณาจะได้เวลา กิวานเจ้าแล้วปะเพื่ไม่เสียโ อ, อเคใจไม่คิดไม่เกลียดเลยถ้าเป็นหนุนตามชาติ่านหลืวหอว่า่นะองค์าใส่ข้าวให ม, ม่ใม่ให้ดีปะเลยถ้ปาปนแล้วจะเป็นฤทธิมีทาได้ใี่ถ้าไม่ใช่ได้ก็แล้วแต่ฤทธิตถ้าหาแต่จะปะให้ข่าถ้าปะ้าพ้าไม่ดีลอยที่จะปะหาหาราข่ า, า, านนเก่าไม่เจอก็มันยังใช้ได้อยู่นะก็จะตกจิตว่างใจไม่เหวนไม่เห็หหต่า อันนั้นแะเป็นหรัถ้านความลงมันจ ะ, นะนมันกระจายตัวมันจะถูกจกัดหมดเลยอยู่อย่างความเลียเป็ น, นสมะ่มก เขาเล่าอยว่าหลวงตาเพ่นก็เคย่าให้ตากลาว่านิพพานนั้ง่ทั้งาแลไม่่้น่างมันไม่ใช่เป็นสินึ่งเพระนั้บอกนิพพานนี้ก็นนนมันไม่อยู่ภายใต้นิติของนึ้งที่ต้องใช้อตกาเพื่อมากาจัดความหลงที่มีในจิติตของเรามันมีความหอย่างอาตัวตนในจิต่างๆในร่างกาย ก็เลยมาอาอนัตานนตามาเป่าปนของของึงต่มนเป็นอนัตตามันเป็นดินน้ำเงินไปมันมีตัวตได้าายยอยงไรตังกานี่มันก็มาเป็นดินน้ำเงินไปมันไม่มีตัวตนเขาต้อเอาอนัตตานี่เพื่อมาทำลาย ต, ตัวติดที่มามาที่มาที่มาพิจรารณนี่มันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนแล้วมันเป็นตัวติดเป็นตัวนี้มันก็เป็นหมืองนหนึ่งในธาตทั้งหมด มันมีอยู่6าด้วยกันมีดินน้าลมไฟมีอากาศธาตุและองมีธาตุที่จิตถึงม้ิตนี่มีธาตุห้ดไม่หมดหรือในเมื่จิตอยู่กับดินน้ำลมไฟว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไปคิดกับมันแค่ันเองก็ต้องมาแก้ปัญหาคือความคิดคามเหม็เผิดนี่เป็นตัวเป็นตนก็ต้องใช้จิตอุปันัตาเป็นตัวเป็นตัวแก้เมื่อที่จะมาแอ้เนัตาแล้วก็ปล่อยวาง พอเราเห็นว yes. ่าร yeah. mm. ่างกานี้เป็นเหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับวัตถุเหมืกับ่วดใบอย่างเี้เวลามันเป็นละลายไปแล้วก็ไม่เปลี่ยนวมันก็จะแข็งขึ้นไม่เปลนพอมันปล่อยวางน้พอพอปล่อยวางหมดแล้วจินั้นก็หลุดวางิตนั่นก็เรียกว่านิถานจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีความโลความกรธอะไรองงี้ยนจินั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับอาการเรื่องจนตาลยมันไม่่ใช่เรื่องมันเป็นะเรื่องการใจค เอามาเอามาผูกมันมันเองจริงมันไม่เกี่ยวจิต right. ม <ap> ันไม่ได้เป็นอาการนะครับการแต่แต่ด้านเงนเี่มันก็เป็นจิตมนเป็นภาตนี้เหมือนดินนลตายมันก็ไม่ได้เป็นอาาัเป็นอนตตถึงแตเมื่อเราไปว่านเป็นอากาาก็้อัตตาาก้เราไม่ไมนไม่ใช่อาามันเป็นดินึป็นเป็นเป็น บางทีคนเราเีเวลาเพรไมูอ้อะไเพราไม่ปฏิบัติองแล้วก็มานั่งฟังตำนานไปแล้วก็อดเกม้แตพวกเขาเรียกว่าพวกคนตาบอดคุณทชาช้าหนะ่แแล้วคนก็ถูกเพื่อนคนที่ไปทำที่ทาชางก็ว่าเป็นเนื้อชาาา้างีักนี้เหมือนกับฝากราหน่ำคนที่ไปจากหางก็ว่าเป็นเหมือเชือกคนที่ไปจับมือก็เป็นหมือมทั้งๆที่ไปผิด ถ้วก็เยงเงิาบตาดำตาแรงเลยเราจะเห็นเป็นเป็นเป็ส่วนๆไปนี้เห็นครบงั้นการศึกษาก็เหมือนการอ่านนังสือการอะไรแล้วไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็จะอาศัยจตนาการเดียวไม่เคยไปห้องโถงจะอ่านหนสืที่เขาเล่าว่าห้องโถงมีอะไรบ้างก็จินตนาการในต่างนายถูกมากถดบ้างแล้วมานั่งสุยกัน พอหยุดเคยยมาแล้วก็ไม่มาเสียวลาเลยนะนั่งเกงเรางไม่เายเห็นตายก็ไม่เัิดประโยชนอะไรคู้เสียวเสียวให้ตแล้วกให้ต้องใจมากเลยนะง่ายกว่าพวกเราก็เหมือนกันอยากจะรู้ว่านีทางเป็นหนังตาหรือน่งตายก็ภาวนาไลยนี่นบแต่ก็เดินไปเด็กแล้วก็ถือเงินได้ถึงแล้วก็ไม่มีเสียวตาไม่มีมาท่าอะไรนั่งเกียงกันว่าเป็นหนักตาหรือเป็นตาย 没 hmm. 打过国内行业，哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！不用干这个。大家来坐坐坐来坐。目前目前，我们呃，我们参加的活动，就是说，去挖掘、去研究、去评估、去挖掘，对吧？对。 ก็มองนี <N> ้ว่าชาวเตี้ยโคนเขาเป็นหนูใชาของบ้านก็แล้วกันหเป็นคนที่ใหญ่คนใหญ่คนโตแล้วก็หว้คนนีงไห้คนนี้อีกเหมกันการไหว้ขนมไม่ได้าถึงว่าเราเรายึดขอเป็นสระ อ่นาของถาสนามี well, ่ทาเดียวก็คือธรรมะต่าถ้าย so ึดในหลักต่ำถ้าเรายึดกาเชื่อในหลักต่ำแล้วแสดงว่าเรายึดในธรรมะแต่ถ้เราไปเชื่อหงส์ปยไปเชื่อเรงเชื่อดเชื่อเรื่องทำนายไพ่พัดเชื่อเรื่องอะไรต่างๆันี้แสดงว่าเราเราห่างเหินจากธรมะเรารู้สกว่าธรรมะท่าไม่ขึ้นเลยผาติยึดบริษัทที่ไหา มันก็ดีขึ้นหมือนถึงแราก็คนอของตัวตัวที่เหนื่อยแลว้วถอดจะได้ชนะการล่างการงานถ้านี่มันไม่ได้ถือว่าชนะารเป็นสาธารณะถ้าสาณะมันต้องมุ่งที่การทำการดีถ้าเราที่เสียก็ทำ น, นันขยันมากขึ้ น, นทำาให้ทา่เาเอาชนะใจเจ้านายให้ได้ไตั้งแต่ปีห้าเลยทำาเรื่องมสองทุ่ เดี๋ยเขาจะได้ขึ้นเียนเดือนนะรับรองได้ขึ้นแน่ๆแต่เราปลายสายกับสอนนี้ไมันวจะรับเรินได้อย่างไเห็นานะนะมันอยู่ที่ัวราอยู่ที่การอารทำงอย่างอื่นไม่คือองประกอบบาทีมันก็จังเกินเช่นเราจะนับกันมาล้วก็นัวนใช่แต่มาวันจันทรสมาไม่ได้อย่างี้ันรไม่ได้ตรงตัวขอที่สคัญอยู่ที่การมาบุญมาทำเลือกทความรับผิดชอ อันนั้นเป็นเรืองปลนาเวลาเป็นเรงจะเป็นเป็นปนตัวที่จะทำให้เกิดเป็นอันนี้ขึ้นยากการเปลี่ยนกันงั้นทางศาสนาท้่ราเลือให้เลิกเลิกขบวนเนี่ยต้องไปดูไปหามหมอน่าจะจะจะทำอะไรวันไหนสะดวกเมื่อไหร่ก็ทำในำวันนั้นเลยถ้าเจ็บข้าได้ปวยก็มาดูเ่อง ก, ก่อนแล้วแตจะไปหามหมอวันไหนดี วัตาก็มีอยูหลายหม้อทีใจนะปัญญาขอาของเราก็เกิจังเลยจังดีทาดีได้ดีทำเที่ยวได้เที่ยวทำการทดีละแบบทาจัดทำรูปทำขวดทำหลงนี่คือหลักของปัญญาหลของปัญญอยู่ตรงนี้ีไม่ได้อยู่งนยังอ่อกอระบ ให้มันถูกกับกาลเทศะไม่ให้ไปขัดกับสังคมบางทีเราอยู่ในสังคมเขาว่าก็คุยเราก็ว่าก็ไปของเท่ า, านั้นเองแต่เราไม่ได้ไปยงไปอะไรใปกับเขารเราไปโบสถ์ทางเราไปโบวถทางก็ทำที่ดีอะไรเราก็ต้องไปเขาไปเขาแต่เราไม่ได้ไปทำเพราะเราเชื่อหรือเราอยากจะได้อะไรจากการมาเทน่ยวไหนแต่มันอาจจะเป็นสังคมที่เราเป็นนักการเมืองเป็นก่อตอ แล้วคนที่แตเรื example, there, like so too, so, ่องเราก็มาถือตำหนิเราตามอยู hmm. ่เราจะก็ต้องไปเอาใจแต่ว่าที่ไหนเราก็ไม่ได้นนะครัว่าเราไม่เราเราไม่ได้เชื่อในรัฐธรรมนูญแต่ว่าเราทำไปก็มันเป็นความสมเป็นเรื่องสมเป็นไม่สนใจว่าลูกชายภายนอกเราอาจจะยกมือไหวเลยไปแลกแจกเด็ใใายภนั้นอาจจะยกมที่ถิธภัณฑ์พระสงค์ก็ได้เองมีต้อมือไหว สักกุ่มเจ้าที่จะว่าให้ไาวนะแต่ใจเราเ่ถึงไม่รทามันส่อะไก็เลยจะแยกทำงานก็ได้แลจะด่าทงนก็ได้บรใจจะไปรู้นะบางทีเราต้องว่าคนที่เราเกลียดอย่างเงี้ยเพราว่าเขาเน่าใใจเราก็ด่าไม่ก็ได้ใจเราไม่ดีแบบนะก็อยนะ่อาใจนะอยากไปดานะ่ดาครนะ ถ้าเรเ่ว่านี่ะไม่ไม่ไม่ปฏธรรมอยเดียก็เสียดายวมันไม่ว่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเขาเชือว่าเนี่เขาคิดก่อนเลถ้ามิไอพวนี้มัเหมือนกัเป็นพวกศีลละก็จับอะไรมากที่ไหว่เป็นต่างนี่เขาเรีนเป็นพวกศีแล้วสลละกะรมกไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นว่าทุีท่อากที่ยอยู่ที่คำอยู่ที่คำอยู่ที่ศีลละค ถ้าเราไม่คาดจับกับชีวิตตั้งไม่ถึงนหน้าแล้วเราไม่จะอปเลว่าอะไรแต่บางทีเราก็ทำไปเพื่อไม่ให้มันเป็นการขัดกับควา ม, มริ้สึของผู้อือ่นบางทีคนในบ้านเขาอยากจะว่าเขาอยากได้ว่างสารก็คือเราไม่ต้องเลย เป็นะความเขาอยากตั้งเขาอยากจะไหวเพราะว่าเขาอยากจะให้เรามาว anyway, ่าเรียกอะไก็ไวเาไปเขาสบายใื่อจะอยู่กันด้วยความเงียงเป็ๆที่นั่นอยู่แล้วก็าวะใจใาใจถือที่ผูกใจใจาันเป็นอย่างนี้มีีการกระทาของเราไม่มีเป็นเรื่องของรักกันเป็นปริยาทุกเถื่ไม่ไดมีปิตใจเข้าไปยื่นเขี่ยด้วยเหรือทาแล้วมีมีปิตใจน้ำ เในนาต่างไปด้วยมันเ็นเรื่องแต่ถ้าตดาบานนี้ท่านบอกว่าเวลาไปว่าเราเปคนที่ต้องมีการสมาทานถึงให้กับสมาทานถึงเก็ได้แต่บางทีจิตใด้านนี้มีแต่จิต้อยู่ตลอดเวลาเลยให้เาจะสมาทานอากเพราะมันเป็นธรรมชาติของจิตของตดาวันที่จะมีทักษะกิตให้อยู่ตลอดเา แต่สมาทานนี้ไม่เป็นสมากานกันต่เมื่อเขาจะอยู่ในการสมนอมคที่ยังสมาทาอยู่ให้สมาทานาเขาไปไม่ใชบอกประกาศเลยว่าไม่ต้องสมาทานเป็นสมาทานนไปแล้วกันมันก็ถูกเต่จาเขาไม่เข้าใจและการสมาทานมันไม่ได้เป็นขาดม่เกิดิขึ้นมาสมาทานเป็นเป็นเป็นหมือนการตั้งกฎระอบิยฐานว่าจะรักษาถหาน้นเองดงว่าเราจะไม่ถึงห้าคนเราที่ต้องตั้งกฎระ ว่าจะรักษากินหาแต่คนที่ก็ามีสินหน้าแล้วเขาก็ไม่ต้องมาตั้งใจรักษาสิ่ห้าไปเลยเรื่องเขาไม่หีแลวเพีงแต่ว่าถ้าก็ได้พูดอย่างนี้แล้วคนไม่ตั้งใจเขาหาเขาผิดประเด็นอไม่ไี้ห า, าว่าเพี้ยนอยี่เขาจะอยู่ในสองคนสองคนเพีย้ยนคนดีก็มาเพียย้ยนต่างกันเลยไม่ตางในนเพีย้ยนไปคนเดียวก <c ười> ายก็ดีทัหมดเราเพี้ยนคนเดียว ส็เตใหญ่เป็นงั้นเขาจะเขาจะขหลดอดเสียงข้างมากเลยพวกลมากก็ลากไปนะไม่ไช้เด็กแขงสวายไปส็มี่ดี <c oughs> ได้แต oh, so ่ตอนตี tomorrow, so ้ได so ้ต่คุณไม่ได <Yeah. S 1> ้แล้วองนี huh. ่เขาเป็นได้หวานนะคะการ์ดไม่ได้แต่ก้าร์สี้ากสีาร์สไีได้กา้การดได้ร์้การดได้กาี้ยได้รสได้การีดาร์าร์ดสสไดา้ารกาไากีา้รี เรถามกันเองกันเองแต่นี่ก็จ้องก็ต้องเชื่อเชื่อคนที่รู้ก่อนถ้าเรายังไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรเชื่อว่าจะเชื่อก็ได้และไม่เชื่อก็ได้ไม่สคัญสำคัญที่ข้านี้ว่วาเราทำความดีหรือไม่ เราเชื่อชาน้ว่าเรามีจิตนพนดีใช่ไหมเพราะชานี้เราสามารถมีความสุขได้จากการทำดีเชื่อไหมถ้าทำความดีไปต่อดถ้าเราทำความดีไปเรื่แล้วต่อไปเราจะ่ห็นเราจะเห็นว่ามีชาตหน้ามีชาติชาติต่อหน้ไม่ต้อ ง, งรั้สมาธสมาธิแทีวเราจะเห็ อไม่ต้องะให้มันให้มันได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีนัานเหมือนกับเป็นไปเอาไปาของฟีที่เขาแจกในร้านขายทขายถ่ย้าไม่มีกาหนดเวลาจะอยู่้นานกี่ชั่วโมงก็ได้อยู่ไดนานเข่าไหร่ก็จะได้ของเยอะ เอาอยู่ด้วยก็ได้น้อยของมีด้านโอเคปล่อยแล้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่ผสนใจพัเก็บปล่อยให้มันใก็บเส้นั้งอีกแล้วเดี๋ยวมันดับไปเองใจเราก็ทําำติดพอนยาวไเราใช้อะไรตป็เครื่งเครื่งเครื่องยึดติดใจแล้วก็ใช้อยู่แบบนี้ถ้าเกิเงินก็เก็บเงินก็เรืยๆมันจะเก็บจะเก็ยังไงก็ปล่อยมัน ไม่สใจะแล้วถ้ามันยังหาจะได้แล้วจิตเราจะสงบลถ้าเราจะน่งหงายตัวจิตเม่อหงายตัวจิตแล้วก็รู้ว่าจิตกับร่างกายนี่มันเป็นตัวเดียวกันร้างกายเป็นอันหนึ่งเหมือนร้านกับแก้าน้ำมีหนึ่ากันนึ่งถ้าเราไม่แยกออกมันเราจะไม่เห็นว่าที่มันอันเดียวกันถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตกับร่างกายมันก็จะแยออก ว่าจ <loc> like ิตออกแยกออการ่างกายเราจะรว่าออกร่างกายเป็นอย่างจิต่างรกายตายแล้วจิตัไม่ได้ตายแต่อร่างกายนี่ก็รู้ว่าออกไดก่อนมันก็ต้องเหน้าหรือก็ต้องเหนื่อจิตนี้ไปไปเปลี่ยนไปอาล่างหมดร่างกายก็เป็นเหมือนเดเยมันมีเลือดจิตมันมีเลือมาสืบพนธ่์ดงมีเชื้อท่านเราติดทีนี่เชื้ท่านทีายก็เหมนชาต่อนเ้าที่ตาย่า มันลอนยไม่ได้แล้วโยนขึ้นไปนก็เป็นเป็นเนืาตุก่อ น, นแล้วเสื้อผ้าเรียงเที่ยวไม่ซื่อเที่ยงอยู่ที่ล่างเดี๋ยวไปซื้อมาใหมก็เป็นท า, ท า, านตุธาใหญ่ใช้ร่างกายก็ร่างกายใช่ไหิตใจก็จิดตใจเดียวกันจิตใจก็จิดใจมันจะเปลี่ยนร่างกายอย่งนีง้เราจะไม่ได้เป็นร่างมนุษย์ก็ได้อะาจจะเป็นนกก็ได้อาจจะเป็นยาวก็ได้อยู่ที่เราทําอะไรในวันนี้ ถ้าเราไม่รักษาสีห้าเดี๋ยวเราก็จะต้องไปเป็นนกเป็นเป็นนกเป็นาเป็นชนนักเป็นอะไรต่างๆแต่ถ้าเรารักษาสี่ห้าได้เราก็จะต่ำลงเป็นอย่างนี้ถะเรื่องถ้าต้องการอยู่ในศตุมันนี้ว่เราจะทำาะไถ้าเราทำตาดีไม่จะทำบาปถ้าเรายังไม่ยังไม่พึ่งสุดของตามเวรว่าใจเกิดแรงที่ผ่านแล้วก็จะได้ต่ำลงเป็นย่งนี้ถย่ง ก็ได้มาทำการดีข้ามขึ้นไปเรื่อยจนการที่จบจะเป็นเหมือนอทีุ่ป่อนพะอหและตอนนั้นเราก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ เ, เห็นก็เห็นคนท่านที่เมื่อบานท่านได้หลอกเนทุกเทพนะเป็นเงินสิบเปเทแต่และเดือ น, นอใน่คานี่ก็มีมีคนมาขายแนี้กันเป็นเงนเดืที่เมี่เนี่ยคนขายเนี่ยต้องมาขายก่อนในไทอินเดี ย, ก, นน ย, ยก็มาเดินว่ายเนทยนี่ปนเดืนนำประารเฉี่ยม่น้อยเป็นเงนเดืไม่ยืนยันละว่าเป็นเทจกลอไม่แต่ว่าเป็นการสอบถา บางครั้งก็จะเป็นแบบเป็นายเป็นหรือนเหอสายหมือนตัดสาย่อทองคานิดเปนเป็นอย่างนี้เมจะเกิดเป็นเสนี้แต่หลงวันของนกปีขาวเนี้ยมันดึงเนี้ที่เราถ่ายภาพมาเป็นอย่งี้แล้วก็มียาดเยี่ยมขายู่บินถ้ามันเด็ก็นอืเนี้ยมันเป็นยอดขายแล้วก็อามาให้ดูแต่เราก็แบบว่าไม่ยืนยันถ้าไม่ไม่ปิเสธที่ขาพวนี้มันไม่ได้เป็นนัก มั็นเรู้ก็ได้มรู้ก็ไดรไม่ได้เกิดเราไม่ได้ถัาตีเหล็เราเราหายต่อจะรู้ว่าว่ามันเป็นเป็ส่วนความจริงความงในเรื่นี้มันีจริงเรื่อ่ากายเสืมันมีจริงแต่วราจะยุการเรื่างเ่ากายเส้มันไม่ได้หยุดากสิ่นี้่นี้มันไม่ได้หยุดมันต้องหยุดการปฏิบัติ แต่รู้ว่ามันก็ดีมไม่ต้องไปเสกตัดการความเชื่อเพราะได้มีจิตะมีวิริยะในการพยายามหนุนเที่ะทำความดีมากขึ้นไปเพิ่มโดยหักว่าอะไรก็ได้ถ้ามันเสน็จให้เราทำความดีถ้าเราท ำ, ทำดีมากขึ้นอย่างนี้ดีเพื่อบา่ต้องเห็นเห็นเหนเห็นลงศกไปก่อนแลเรียกทาดีคน <c oughs> ดูเห็นลงศกก็รู้ว่าดีนช่ มันตอนนี้เราได้ได้ทองบนน้ำปั่นทิ้ลงสกอะไรเงี้ยนีกระเป๋าติดต่้แบบนี้ก็โง่กางรเนียตอนนี้เขาติดสองขั้ยก็ได้เห็นติตาแล้วมันก็ติดตาติดตาอยู่ตลอดแล้วมันก็พิจารณาไปเรื่อยตอนนี้ก็สนใจตอนนั้นก็กนใจตอนก็สตาจไม่มีใครไม่ตายเลยก็พอคนที่ราแล้วรอ่งของเราต้องรอก็ต้องตาย อะไที่จะเรือยรักกาองรเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ข้าสู่กระการไม่ได้รับผลไม่ได้เชื่อว่าไมเชื่อรัาษาห้ยใจเราเป็นปกติบางคนที่ถ้าไม่ติดก่อนก็ถึงเสียวจที่ต้เลิกไปแต่ถ้าคอยู่ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่าด้ดังนั้ลรายก็ของินน้ามาให้เป็นมักให้ได้ แล้วก็มาใม so ันเกิดเป็นปัญญาให้เป็นสมาธิให้เป็นสีให้มันเป็นทางได้และแสดงว่าใได้ถ้าเห็นแล้วทำให้เราอยากจะทำบุญมากเป็นกระดีเห็นแล้วทาให้เราอยากจะรักษาสิ่งนี้ก็ดีเห็นแล้วอยากให้เราทํำให้สมาธินี้ก็ดีแต่นแล้วอยากให้เราพิจารณาเห็นแล้วใหเราปล่อยวางได้ยิ่งดีอย่างเราเป็นพิจารณาเห็นค่าพเกี่ยวกับหลวงมาดี่ก็ต้องได้เป็นปล่อยวาง กพิา Adams, รดอกไม้จากถ้าเห็น oh. ว่าดอกไม้ก็เหมือกัพิ่อย่างนี้เพคอตดอกไม้นั่นเองแล้วขี้มาแล้วสองสามวันกลกบมาในใจกันไม่กี่วันนี้ก็มันก็เสียวตายเลยนะแต่คนนี่มันใช้เวลายางแต่จะสั้นหรือจะยาวมันก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับต่อถ้าพิจารณาเป็นเดืเที่ยบใจเนี่ยมันก็มันรู้ได้สายวายได้ เ็ไม่ว่าจะเห็นอะไรทั้งนั้ว่าตามดูดูหูมีฟังใจดูดว่าิดเห็นว่ไงต้องอยู่ตรงนั้นก็ขอให้อุปนินโกให้มันเป็นธรรมะขึ้นมาแล้วให้มนันเป็นธรรมขึ้นมาเพราะธรรมะที่เป็นอุปนิโกแล้ก็ให้อุปนิโคเห็นอะไรแล้วก็น้อมมันเข้ามาให้มันจบเป็นนักเป็นนาเป็นตัญญา เป็ใน้องที่มาแล้วให้เกิดเป็นเป็นเทคอยแล้วเราโาลกล่าอยากจะได้อนี้เขยว่เอพปาริโกถ้าเห็นแบบั้นแลก็เห็นเป็นโทษเห็นตัวเองก็ได้ตำแหนงว่าตาลูกเล่าอยากจะได้แติดความอิจฉาลุเกียรติความพ่อแท้ไม่มีกำลังจิตกำัใจที่จะทำายอันนี้เป็นการเห็นแบบเกแต่ได้เห็นตัวเองก็ได้ดีได้ดีล้าความอยกเกิดนี ดูความอยากจะ ไ, ได้ดีจะดีคณะเราต้องมีความวิทยาความทะยานของตัวเองมากขึ้นต้องแข็งเขาต้องทาให้ดีเขาให้มากเพื่อเราจะได้ดีกว่าเขาอะไรอย่างนี้มันไม่มันมันไม่เป็นโทษมันมเป็นผลอย่างที่บอกที่จะได้เราเพื่อ น, นให้ตัวเราเราทำงานที่เก่งเนี่ยมันก็จะมาก็าจะเรื่องเราขึ้นไปได้เนี่ยไม่ใชคนที่จะพยเยาม แต่ถ้าเรนะาเราขยัขนจะเป็นอย่อยงนี้เราจะทำงานในช่วงตีห้าเมื่องาสอยทุ่มเนี้ยไม่นานเขาก็จะขึ้นขึ้นเรถ้าเราอย่งน้่านอแต่ที่นี่ก็มีอยู่คนหนึ่งเขาเป็นคนทางานฐานยาเนี่ยเขาทางานหกวันเขาต้องอยู่ยันแต่วันที่เจ็นี่าไม่อยู่นะเขาไ ป, ต, า ต, ป ต, าตุ้งยาเขาไปตัวเขาดายใจเขาจะอยู่ทำนี้มาตลอดถ้าถามว่านี้ ทำแต่ทำงานเพราะท่ า, านาพ่อาไมทำเสร็จรูกว่าอาชีพ่าก็เป็นกับกำไรล้กเ็ เ, เป็นโสตด้วนนย ม, ม, วม่ดีครับิตใจก็อาจจนะเนว่าผู้เราไปนะเขาไม่ารสิมสภาพร่างกางนี้พราะทงานก็ไม่ที่เกยบทางนานเพลิงไเหนือยห น, น้าอ้วนกินน้ำกิ น, นเลือด่รอเงนิงนเาก็ทำงานเขาเลย พอเวลาเขาอู pues día, ่เคลรัจกไปเลาไปไหนก็ไปได้สบาเลยจะไปม่ไห่ก็ได้ให้ไปในที่ติดตางคนในมันมีความสุขได้จากทางของตัองเหมที่ไม่ต้องแล้วก็ถ้าสนใีใจหนกับคามติธรรมะของเราเยก็ มื่อจิตใจตราไม่อยู่ที่ร่างกายเราไม่ได้อยู่ในันไม่อยู่ที่เท้าที่วาย่จิตจเราได้ว่าตายก็เนามาตรเขาก็่เรไม่มีสาตาตัวเลยว่าทาน้านทำไดำกก้แต่เกาเขายังอาจจะไม่พร้อมที่จะเบิกยังไม่ถรกวางใอ สองวันต่อก็มีนักแสดงนักศิลป์นักวิทยาศาสตร์มาทำวีดีโอแบบต่าง คือมันอยู่ในตาางและเราขอให้เขาทำเ่เขาตัสินแล้ววาเขาเป็นคนนะครับโดจะมา copy แล้วจากคนที่เป็นชาวต่าาตแล้วเขาต้องออกมาคิดเรื่องทาอนโยบายทางประชาสที่เขาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีขันยาคนในคนไทยเนี่ยมาทำธุรกิจ ก็เลยอยากจะให้พทร์มาดเขาเข้าใจว่าทำไมภรรยาเขอถึงมาทเงินมาทำงานทุกอย่าทำอะไรถ้าเราเมาสัมภาษณ์ที่ตรงนี้มันั่งทำได้ค่ทีติกนก็ร้องไม่ไม่เป็นสาว่เรามป็ที่เป็นสาวๆแล้วเราทำงานที่ะไ่าที้ยทำไมเราสัมภาษณ์เลยแต่ตอนเชาก็มาถ่ายทนไปดูสายเรื่องเย็นวันวัดางที่าที่สองาที่ยอดรมทีแล้วก็ทำไปช เป็นหนาทการเดียวน้าการจ่ายที่ออกหน้าที่ที่ออกทุกทอาทิตย์นในก็มีออกรายการทีวเยอะมากเราก็เลยแบว่าการเส็จแก็เพือเป็นนสัคเราจะไปิดต่อคนที่การตต่อคนที่เขากจะเรียนเ่องกานอะไรล้ถามลอย่างนะว่าที่แก่ก่อให้ทอะไร ก ว, าว<ส uce>้างยาเยอะไรอย่างเงี้แบทีน่ได้ไม่เรจะเทาไจะเข้าเยมากเลยที่จีนมันมี้หมดหกกเยนะคที่เราดูทีเราดา ก็อาจท้มดูั้ี่อไก็ได้ม่ัไม่มีผู้จัดการ้าผมด้ผู้กราคก็รังเอได้ว่เจะอาให้ลูตานะเารับไปอย่างนี้ก็เขารับากอย่างจากทางโลกบก่าครับครับครับแล้วจย อมได้อาจจะอาจจะลมขาเก็ได้ที่อย่างเดียวเขาจนใ้ในระดับไทยเราเก็นที่อุ เราไที S <S <an> ่ปกติป <iny> ิดน <an> ี้ากพยายาอยู <t iny> <an> ่แ <t> ต <iny> so ่ว <an> ่าเายายวจะมีทาว่าดก็มแต่จะมีแที่เขกพยายาเลยถ้าไม่้เขาเขาเขาบอกใัมา่ได้่านร่าาเราคิดเขาฝัดีได้เลรต้องเราไปเช็คดูว่าอาจจะติดต่อใคเมเขา้กยังไม่ ก็ดีละความนี่ความดีอำหรับเราแน่นอนนะก็อาจะส่งผลให้พูเรืตเราต้ยอมรับหังเราทานนานไปมันก็จะเรียนรู้ให้ี่ถ่ายทอดไดีนี่รายายามรับความจงให้ได้จะดีกว่า ใจอก็รจะได้เงินตากมาได้ปกติของไฟก็รถไฟนะเขไม่เดือดร้อนนะคนที่ไปคนที่เดือดร้อนเขาคงอยู่มากกว่ยคนที่อาใจไม่ได้แต่ถ้าใจให้เ็นเงเป็นปกติไม่ได้ไม่สาํารถเนินที่ได้เป็นการไม่เกิดประโยชน์มากมือมืออยู่กับภาพรถไฟไม่เกประโยชน์ในการใอะไรกับเวลาที่เาเพื่อมากัดประโชนวคนที่เราเป็นหก ท่นก็ต้องท่านกความหลงมองไม่เห็นว่าคลาไปมาต้องเก็บดเป็นดาแล้วก็อยู่ในวถึงเวลาที่จะต้องไปพยายามอยัน่างนี้ต้องมีจุดีล่ยนไป เราคุยแล้วมีครามปรารถนาอยากให้เขาแบบถ้าจะจะก็อยากให้ไปสบาอะไรอย่างนี้่ต้รมานไม้อเป็นานี่อารยาจะอยู่ก็อยู่เขาจะทรมานก็เรื่องของเขาเขาจะไปอย่างสบายก็เรื่องของเพราะมใช่องเมัน็ของเขาทำเองเขาเอง ก็เราจะตายอย่างสดก็ได้ตายอย่างชิดก็ได้กาเาบังเพลิงเราเขาจะตายอย่างสดถ้าเขไม่บังเพลเราเนี่ยเวาที่ถึนของตายไม่บังเพลิงนี่จะปรากฏในายทีเีวบางทีมั็คนของยาหรือเปาแค่นั้นก็แค่ถ้าโดบังเพิงแล้วก็มันจะหายยาแต่ถ้าปฏิบัตารนี้จะไม่กล้าลงอะไรเลยแต่เราที่ชาวตะอุงก็จเพราะเขาเขาไม่ไม่พึ่ตัวเองก็ไม่ขึ่งธรรมะ เพื่อยาพื่อเพินิตภัณฑยมากยิ่งขึแล้วก็ผลผลมาในในบ้ากพื่ที่ยาติเจ็บปวยเลนะก็จะมีที่เราหลายคนคนยังอยากจะให้ข้าวหนพยาบาลคนที่บอกเลกต้องเพอาันจะให้คนนี้ทันนี่อะไ่างเง็นค่อ้าไ่าไก่ชิ้นผิดผิด่าหรือฆ่าเลาหรนี้คืเป็นโทษขอทยหรือเปล่าเนื่องจาสมัยเราไม่ไปไปบังคับกันแล้ว็น อไรก็างเป็นทางก้าวกระดับลเขาอว่าอัไม่สามาทำได้ะเาเนี่ยต่อให้ไปอไไเกิดเกิดเกิด้นไอะไรไมยโ็เป็นเป็นปฏิบัตินใจนะถาัินใจเยมาตมานี้ไปไปทำเราพลาดมาเนี่องสลัโยกับเราก็ไม่เ้าใก้าวกรดับก็ถายาเล เราจะรัาให้่เร็จรักษาที่บางคนรักษามาเขาบว่าต้องรักษาที่ถึงว่าเราก็ไปดูจากหนอที่ว่าก็กลับให้ให้เราเป็นประจิตใจที่อย่างนี้เขาจะาเป็นเพื่อนแบบนี้เพื่อสนับสนุนเขาเองนกจก็ขาผ่านมาเนี่ยยัไม่เคไปเยี่นอก็มีอยูเพื่อนอจากรไปแล้วก็คงจะเยี่ยมไทวรงพจะให้ประวัตจ ถ้าตายมันก็เท่านั้นนะตายมันก็ป่วยเหมือนกันอยู่ทั้งครอทางโทรัพท์เขาก็ป่วยือนกันในทางการแพทย์ี่ป่วยแล้วให้ทํอะไรไปแล้วนี่ยให้เขาก็โตล่ก็หละไรไปแต่ก็ไม่ได้เท่เลยมาป่วยไปแล้ล่ออก็ให้หอเขาทำอะไรไแต่เขาก็เขาก็มีตายฆ่าหายตอที่ไปเขาไม่ยอเพรายวขาเหอนว่าใจเดียว่ามันมันมันม่นมันมันป่วยผิด แล้วเร็ฝหตกแล้วเพราะว่าติดสายไนทำเราอยู่ยมมไม่ได้ต้องรำอะไรจะเหนื่อยะจะอะไรเราตะวันทาเลยแล้วบอ า, า, ามไม่ได้ติดส า, า, ายกับญาตากับลูกกับใครก็ถอเคือมาแล้วมาวเขาจะมาทำอะไรนี่นี่อะไรเปลี่ยนการจุอันนี้ก า, สารจุกถ้าเวลาทออกมากเราไม่รู้จบเลย นม่รสียเจ็บใครไ่รสึอะไรเลยไมต้อเลกขดตอนนี้ก็ทาเดียกับน้องที่อื่นเท่ยวรอรอให้หมอมากยี่ยมเะไรอ่างเงียแล้วก็ไปตายตามความตายไปทำได้ก็ทำไปไม่ยอนให้ไม่ยอมใล้เวลาที่เราอยู่บ้านไม่อยู่ต่างไปไม่ยใ้เวลานี้ก็ไปไม่ไปอะไนี้มันก็ไปเป็นหน้าเลยอดี เนี่ตอบไปได้ถ้าเป็นติดตัวมัก็ต้องมันก็ต้อ ง, งไปไดเนะมันก็ม่เห็นยกสุดท้ายอย่างนันนี้เราเราเราฟังที่ยอเจอยกสุดท้ายอย่าง้มันก็ไม่เห็นเดืดได้เนะลยทได้ก็ทั้งการรักษาของแต่ลนเออยู่ที่พลังจิีหรือคามพอใจของแต่ละคแต่ถ้าปฏิบัตโดยเฉพาะเหล่านี้จะทำให้การเดือไม่ได้ Friends, hehe, kind of ม mum, ั <crease infection wrote> นอยางจะเข้าไปยุ่งกับหมอเขามีคนงานที่ในระดับหนึ่งเขรษาได้แตเขาก็ไปในระดับหนึ่งอ้านอาจารยผิดเจาแล้วเมื่อไหร่ก็ต้องไปทำการทางทางศีลอะไรทานวิาแล้วจิตใจก็ไม่มีอะไรกับมันยาวนันก็ไม่เกี่ยวอะไรอยู่ไกางก็ไม่ได้อะไรเีิตที่จะต้องทางานนักชีว ต้องยัดขาตัาาดทีมากขึ้นถัดขาทุกวันไงไม่ใช่วันละค น, น, นต้องไหว้หัวถ้าได้แบบนี้คนเราไม่ต้องตาย ไม่ต้องเจ็บได้โยนผลไม่ต้องแา่แต่คนถามว่าตั้งจิตเขายากให้ตายเหรตายเลยคงจะไม่ได้หรอกแต่มันมันดีตรงที่ว่ามีความปัจจัยดีแต่เราต้องมาต้องการความปัจจัยดีให้เป็นการตะคริบอยู่ให้คนที่เขาอยู่ที่เจ็ดไข้ไว้ผลมีความเจ็บใจมีความที่มไม่ใช่เอาความปัจจัยดีไปทำให้เขาเพิกถอนไปพิกยันด้วยการไปบังคับหรอประเวณี จะทะเลาะต่อหน้าเขอเป็นยังไงจะให้ท่านเปอยางให้ทำอย่างนี้ว่นวายไปทั้งบ้านเราถ้าเราเขาเป็นหลักเลยเาเป็นคนเขาเป็นเกไม่ใช่วอเป็นเกย์เนี่ยไมเป็นเกย์เขาเป็นพู้ชานใจเขาอาจจะเอาอย่างนี้ไปชีวิตถ้ามีเราที่ที่จะสามารถตอบสนองความต้องกัรน้ถ้าเราเห็นว่ามันผมันไม่ถูกเราก็ทำไป แต่เขาก็อยากจะฆ่าเสียตายเนี่ให้ช่ออะไรก็ไม่ถึงนะกรบไม่ท้องการฆ่าหลังเสียตายเลงถ้าพระบร ม, า ม, ม, ามเป็นธรรมาไม่เวลาอภิธรรมมานี่มาเป็นธรรมะล้วต้อกาทุกแบบนี้จะมีอาวุธเกิดถ้ามีความคิดก็ม้มนเกิดธรรมาถ้าเอาความคิดนี้มาคิดจะมาจะอยากเกิดเหมือนกั น, นครับาไม่อยากเกยดไม่อยากเกิ ด, กกดความไม่อยาก ไม่อยากตายหรือใครอยากตายมันเป็นการขายมันเราทำได้ทุกมันก็จะหลั้ามันเอาความคาักฐาดีมันเกิดประโยนดีไปเาที่ีปัาก็ำไปดูเดกขาไปไปไทได้ทีก็ทำ แต่เราไม่้ไปย่าไคิดว่าเราไม่มีคาประจันเลไม่เกี่ยวข้องทอไม่ได้เรไม่ได้อยู่ในฝันของเราถ้าเราไม่มั่นนเราดูใจเราด้วยดูใจเราก็ถึงไม่ได้ขอาเป็นทุกขสามารถดำเนินชีวิตเป็นปกติได้ที่เากับเราพยาเจ้เองไม่สว่างเราไ ก็จะลาบจริงแล้วเราต้องสามารถทำจนวนจิตการเป็นปกติอย่างที่บยอกเาอีทว่าเราองมีหน้าที่แล้วก็ทํเวารมีเวลาว่างก็ไปดูเชื่อท่าเปหน้าที่ที่เราจะต้องต้อดู ก, กาตลาดเวลาแก็ทาหน้าที่นั้นไปดีที่นี่ก็เป็นการเกเื่อค่าทั้งนี้เอง เชื่อฟ้าันเก่าแล้วก็จะได้เทื่อ้าใหม่ให้เราเติมุงเชื่อ้าเก่ามันถ่ายแล้วแล้วร่างกายทั้งแต่เปนยาตายแล้วมันยังมีมันทำประโยชน์ให้ได้บ้างยิต่อจะท้าจะเยอะเรื่อยๆถ้าคัเถ้ามันเก่าเราคอมาปะมันคอยเยียดถุงเนี่ยหรือวเยียดด้วยทางวันก็ขาดนะเราต้องเยียดอยู่เพื่อจือตัวใหม่มาตัดมันดก่าเชื่อฟาเรื่องเมืองลายของเมืองลายมันทำสมองจเรื่อย ถ้าถ้าติดใจทำดีทำดีแล้วมันก็จะได้ของที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ทาำดีก็จะไม่ได้ไม่มีใครทำให้ได้ก็ต้องทได้วยกันาที่อาารมณ์าเยเงี้ยเขงี้ยเพราะมนเป็นรื่องยุ่เรื่องติดใจเรื่องเบาเร่องดำเรื่องอะรพระทธเจ้าทำใจเราไม่ได้ทําทําำได้ตอนนี้พวเราไปเต็มที่ทางเลยนะ ผลงานตั้งที่เกิดต่อตั้งใจในความอดทนมายากลำบากที่แต่ยิ่วลาเดเขาร้อยตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าผมน้องที่ทหาตัวเองมาสุกวันเราก็จะปวดหัวเองนั่นได้ไมกที่ให้เราจปงานตรโทได้ใให้ให้อภรณิกถ้าไปดว่าคนคนนั้นหนักตาไปเราก็จะไปอย่างนต่อเราก็จะไปมาในในโรหอาหาร เราที่อยู่างนอจะเกิดของปฏิอนุญาตในทางทางความดีในท า, า, างไปวหวังมากกว่าทำนองที่เราจะจาสาหน้าอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ว่าจะเจ็บได้เสียมากไม่ว่าจะตายมากถ้าเราทาได้เราก็รู้าไปพูว่าเวลาเราเผานะเดินขึ้นเินเราเดอกไม้กันดีวเก็ดขึ้รเดินเข้าแถวเพื่อเข้าไป ที่ผิดที่คนตั้งอยู่นี่แั้าเหนืจแล้ว้าเราเราก็ให้ทักเป็นเื่อนองนี้เองถ้าเราเรม่นือัวเพื่อนก็เอาไปช่วยแต่เราวนาแต่เราไม่คิดถึงดังนั้ในที่เรืนนเคยช่วยเราเองก็ถึงมันก็ายไปแล้ทําไไม่ด้ทำใจบบน้ทไรไ จะยังมีเวลามีเวลาาาทําให้จปก็เป็นเกาะคุ้มครองจิตใจให้จิตใจทำาได้ไม่หวั่นไหวม่เดียดรนไม่รุงความเกลี่ความตายของใครก็ตามของเราหรืของู้อนก็จะได้สุขสุขเลยจะไม่ได้มาภาวนาเฉยเลยไม่ได้มาภาว่าเป็นความรม่มีจิตไม่มีใจมีความเมตตาเป็นเกียรติเพื่อเพื่อเไม่ได้มีความกวนรำเป็นเกียรเพื่อเพื่อนไม่้ ไมเลยไม่ได้อยู่ในง่เลยไะ่ับทําเขาที่ถังได้ไม่ได้ทำอะไรท้าเปล่าไม่ไดทำอเผื่เปล่าานให้มากทีสุดในขนาที่ต้องมีชีวิตอยู่ทำความดีให้กับคนที่เราละให้มากที่ดงานก็ตไปลไปได้ไมนนน้อยน้อยอยหายไปแล้วบางคนจะแม่งกระด้างเฉยเล เวลาตายมาเลออ่าหนูว่าอะไรก็จบอแต่ทไมัมได้ก็อยู่เย่ยเวลาก็อยู่ก็ทําให้เ็มอยู่แต่การเมนก็ทํานแต่มีความเดน้อยทำมตาไได้อี่จะปกติหน า, าทขึ้นมาทีจบแล้วขึ้นมี่มาเกิดในตานานมากไม่าหร เงม่ดีมากกว่าวันวันเวลาที่ตาทุกข์เพิ่มแทุกเพิ่มข้าอนนี้มากกว่าน้แต่ประจมงนานทีเพาะเกรื่อม่ามยดหน้าเลยเมนเดิมทุกเหมือนเดิมแต่ตนะ ยาห์แอ t ลอฮิวะฮัลลอตุลาการุตินติปะกาวะนิวะอิโตะนิมตกันยุปะกะติปิปิตัปิปิตังปนนังปิโตเละมิโตโตะเโตโนังกะาตังโทตัญะโตยะตาห์มานิโชติ เราตัวยาข้าักโยวดันตพะโยีวัดตมเดวนาโยิที่กายั้นที่นิพพานิาตน้ะตงาติายกสุขา ไปดีกว่านี่เล่นเล่นกระดิ่งนะถ้าไม่เทียนเหลือเพิ่มความจริงความจริงหวังแม่ทางก็แม่ ที่ากมาาีจิหมายในครอบครัวเขากดะจะดได้สมนธอาจรอรัเียมหดแต่มอการให้ต้องกาไ่้อจะเออทะทาขอไม้องจดบที่จะเนผู้ให้้บเนของพม่เพรา่าพ่อแม่ขมก็เป็นคนที่ไ่่วามันงนะ้รับงินอมทารก่ ก็่นไหนพยายามที pues the the ่จะให้เพืนแจะ้เยกเรันวเขาไกต้องขอให้เราปฏิบติทีก็ส่วนของเราก็ไม่ต้องมีเวลาต้อเกี่ยวข้องกับคนนี้ก็เลยต้องก็ต้อยที่เราจะ้าได้กอให้้มาถ้าการาปฏิบัติแล้วจะขอแล้วว่า เขาได้มีเวลาให้ขเขาเพราต้องอยู่ใกล้ถ้าเ้าอยากจะไปคุกัเราเนี่ยเขาไป้ถ้าเราคืยเขาเราก็จะไม่มีเวลาเขาถ้าบางท่ต้องแบ่งเวลาแบ่งคนที่เข้ามาใกล้แ ต, กลกลแต่คนที่มาใกล้ก็ขอขอคุนกันในระยะช่างๆช่งกลงที่สบายๆนเวลานี้เราไม่อยากจะให้เด็นว่าคนที่ถุกถพะไม่มีใคร ม, ม, มาเราก็ได้พั่อนได้ักวนได้ คนอยู่ใกล้รถไฟแล้วคนยู่ไกเข้าาบ้ามาจะไม่เวลา้่อก็ไม่ได้คิดไม่ได้ไปคิดะไรแบบที่ิดถ้าอาจะคิดทองก็างีวแต่เก็มีมีมีเถืขงอาชีพจำทำานคือถ้าทางนำใหน่หม่ันก็เป็นภาะที่เราต้องเวลาเข้ามากในการยืยกดกอหมัเนี่เป็นเหตุผที่เราต้องคอยอากให้ทอะไรให้เขาช่วตัวเองได้ เขาเทศเลยเนี่ยเราะบาปิบัติแ่ระม่เขอางกงมาเขาบอกว่าลงเขาไพรแม่ซัก่หวังว่าถ้าปฏิบัตินี้เรื่อยๆขั้นตอนต่อไปมันก็จะต้องไปนะครับถ้ามันไปทางอื่นไม่ได้เพราะเรามาทางนี้แล้วมันก็จะผัดต่อไปเรื่อยๆแล้ก็เข้ารับเป็นช่างเป็นครา เนเวลาระยะเวลาค่อๆต่อไปก็จะมียาเพิ่ยาเพิ่มแล้วต่อไปก็อาจจะอยู่ไปตลอดเลยวัคซีนอะไรหรือขั้นตอนที่นั้นเนนรรรนงนนองคนจะตัวเป็นวานทํางาคาพะโลดมันเป็นโปรเซ็ตของมันมนเป็นเป็นขป็นตอนของเป็นเหตุเป็นผลแต่ก็ดีนะเวลาหลับพายก็นพิ่มยาแเรามีเรามีหลักพาแล้ว เมืใครเขาเคื่อนย้แล้วนังนงขายลนะิแล้วก็ราคาที่ยาาจจัให้คนแล้วเา้าเสนอราคแล้วคนก็อาจจะเขใจผุดผลัณแล้วก็จะได้ขายได้มาก <c oughs> ดูดูดูดูดูดูดูด okay. ่า well um ูด um ูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูด็ดูดูดูดูดูดูดูดูดูดัดูดูดูดูดูดูดูดูดูาูดูดูดูดูดไมูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูด เอวังคนเราเท่าหร่อวังเลยกันทุกคนขอเด็กๆนะก็สำคัญขอให้เราหัวเราะขึ้ทวันกันได้หัวเราะกับตัวเราเอนได้ก็ดีนะ แต่หวล้าได้ก็ตมามเวลาไม่เครียดต่เาเร า, ลาปล่อยวางนะวันนี้ที่เราหัวล้าไม่ออกเร <c oughs> าเรายนะืตัวก่งตังแข็งางมากเป็นเกยเกลวในรรืไม่ออกหัวล้านไม่อถ้าปล่อยวางแล้วยังใส่บ่อยๆก็มีน้ำโดนรจนิดนึงตุ่ยหัว ที่ทำแบบนี้นแต่ไม่ต้องตีเอะยากมากยากแค่ทำไปไม่ได้เหมือนใช้เวลายเจอใช้เวลาเลยก็พยายมันเดืองเลยพอมาใช้เวลามัยากทำไม่เสร็จก็ตัดไปเลยก็มากก็ัอยู่ดีว่านี เป็นอย่สิบสิบวันพอส่วนนี้สี่ถึงมันไม่พอเลยใส่ันสี่กันี่ใ่กันสี่ะไรันเนี่ยวะไรกัี่ไเคยเลยเป็นดิมาตอนติดด้วยกันเลยจะทำนี้มาแล้วทำงานมาคอยของให้กับพระไบบาลจะเป็กับที่พระได้ใจและเป็นอย่างนั้นคือเป็่อนกัน ก็จคยกันแล้วรอการมกงมาขอนะครับคุยกันแล้วคุยอ่น สถานะกรเงินเราก็บอย่างนี้่มีะเกียงเดีย็ันม่เนกัาเนินายมันน่้สบาั่งได้นานเราสงสารร่างกายมัลปราจะเระสัณให้ดลให้คนนที่สุขภัณฑ้ก็จะเป็นตุ่มย่ออยู่กับพระองค์หรือเาให้ทําุ่มวทายได้เพราะมจะอยู่แค่ท่าลงท่าจ ดูดูคราได้ก็ภาหนึตรงหนึตานี่ไม่ได้ดูเลยทำอะไรก็เพื่อนช้าทำอะไรก็อย่างเนี้ยทำงานกันวันรอทางนั่งนั่งก่อนทีมงานเื่อนกันจะมันจะตก่นเต้น ตอนนั้นไม่ไ hmm. ด <Yeah. S 1> mm ้เ hmm. ป mm ็น hmm. พี่ตาวเป็นที่ข้เยแต่ก็อยคดอแต่วันนี้ร่างงาน้องอกกำลั้องอกกำลังจะนมากระตุกงูคอกดูขึ้นงูคอยดูข่้ง อะไรก็จะดีแล้วมีมาเอ้าเคคไ่่อยขัน่่อไม ถ้ามันหมดตอนนั้ถ้าเราจะไรเราใช่เทปเป็นตัวดีบพอเทปมันหมดแล้วเราก็หยุดเวาคุมาหยดเไม่ไม่ไม่ต้องกังวลเรามนว่าคุยกันแล้วมันมัหมดตอนน้าทุกการมันเป็นยังทุกการก็เราจะใช้เทปสามสิบนาทีแล้เราไม่ได้ตูเวลาเวลาให้เทปมันดีมันหมดแล้วพอเห็นเคือเทปมันนังจับเรารู้ว่ามต้องหยุดแล้วเราก็จะหนุดเพรา็เป็นนั้น ถึงจะพูดต hmm. hmm. hmm. hmm. right. mm. so, hmm. ่ำก็ไ่ด้ไม่สำคัญเลยถึงจะม่สูงกม่เป็นไรคือถ้าเราจับเวลาตัวเด๋วจะเหนื่อยเะเท่มากง่ายสุดเลยอะไพูดไปเรื่อยๆพูดอย่างทนี่เหมือนเหมือนเหนื่อยเท่มากเลยแล้วก็หยุดเลยนะแล้วพูดอย่างนี้คนนี้อยากจะลุกไลุกไปเรื่องมันก็ไม่เรียบเลยพอย่างนี้ไม่ไม่สำคัญอะไ ก <c oughs> ิจกรรเี้การเเป็นช่วหนน้ทนี่คนเอาเอาเครื่องมาเป็นกระบวนการสลิตร